เลริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านแรกที่เราจะพบก็คือเด็กชายนักคูณจากโตเกียว คุณการพ้าอาจารย์เจ้าค่ะลูกโอเคแล้วจะกรับจะไมบอกไหมว่าหนูว่านช่วยเจ้าป้าที่อ่านหนูมีอินดิค่ะจะไม่บอกกไนมว่าหนูจะกลับกลับพระอาจารย์จะซื่อน้มสกัดกับพระอาจารย์เป็นยังไงครับสบายดีเนอะอืมบอกจะมว่านช่วยปาอ๋อเขาบอกว่าให้ ให้กลับเรียนพระอาจารย์ค่ะว่าเมื่อวันสื่อ น, นี้เขาไปอควาเลียมมาแล้วเขาไปช่วยชีวิตปลาที่กําลังโดนกัดจะตายค่ะอดีดีมากเมตตานะสงสารนะกัลยาณ์ดีไหมคะอือโอเคแล้วหนูไม่ได้เหยียบ ม, มดใช่ปะ่ะอืมอ่าหนูต้องช่วยคนที่เขาเดือดร้อนนะหรือสัตว์ที่เดือดร้อนนะโอ้โหเหยียบ ม, มากเลยใช่ไหมนั่นคือเ เมื่อเราจะไปเล่ น, นเด็จกอบเรเดินไปเล่นนะครับครับอ่านโอกาสอ่าจะไปเล่นแอครับปแลครับรามาว่ายังไงมีอะไรไหมท้งหนูไม่มีไม่มีคาถามค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติุคโ อ, คโอพระนค่ะขอคถาม น, น, านึงได้ไหมคะนึกออกดีค่ ะ, อะตอนนั่งสมาธิค่ะอาจารแล้วทีนี้ มันมันมันมันจิตมันมันสงบดีนะคะแต่ว่าอยู่อยู่ขนมันก็ลุกอันนี้ยแปลว่าเราเป็นเป็นอาการของกายเฉยเฉยไม่ใช่ว่าเราไม่มีสติหรือมันเป็นอาการของจิตที่มีความปิติสุขมันก็เลยเกิดขนลุกจ้าขึ้นมาอ๋อคือสติเรายังมีอยู่หนูก็พยายามดูเอ๊ะทำไมขนลุกหรือว่ากลัวอะไรถ้ามันถ้ามันขนลุกแบบมีความสุขก็เรียกว่าปิติ ค่ะอ<ฮ>ืมถ้าถ้าขนลุกอยู่ๆขนลุกเองก็คือกิติถ้าสมมุติว่าอ่าอย่างบางครั้งมันมีเสียงเสียงอะไรตกปึ๊กแล้วเราสะดุ้งไม่ถึงไม่ได้สะดุ้งแบบตกใจนะคะเป็นเป็นการแบบก็เป็นปฏิกิริยาของจิตต่อสิ่งที่มากระทบซึ่งมันเร็วแล้วก็มีสติตามทันก็นู้เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องไปตื่เต้นตกใจอะไร อ่าฮก็คือเป็นอาการของจิตที่จะมีได้ไม่ใช่ว่าจิาติราแวะวบไปถ้ามีอะไรที่มันแบบผิดปกติรุนแรงนนี่มันก็จะมาันจะสมควรให้จิตมีปฏิกิริยาตอบรับทันทีอ่าเราก็คือต่ารู้ไปว่าอ๋าอมันเป็นที่ตอืบถ้าเรามีสติแล้วก็รู้แล้วก็อไออาการนั้นมันก็จะหายไปค่ะพระอาจารย์ถ้าเราไม่มีสติตกใจตามก็ ก็วุ่นวายไปค่ะพระอาจารย์ครับใจดีกขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์ครับาษไมมีสติแล้วมันจะช่วยควบคุมจิตให้ให้อยู่ความสงบถ้าไม่มีสติบางทีมันก็ไปเลยตามความหลงตางความกลัวหรืออะไรก็ตามอ๋อก็ให้กลับมาอยู่ยย<ก>ดูเฉยๆเฉยๆจักแต่ว่าลงไปค่ะพระอาจารย์ จะน้ไปปฏิบัติค <Okay. S 1> ่ะครับพ่อครับอ่าน้องต่อมาน้อมเจ้าที่กับจ้าแม่อ่าสองพี่น้องกล่าวนวัสการพระอาจารย์คร่ะอ่ามีอะไรบ้างวันนี้สมกาบ้านแล้วก็รายงานผลการนั่งสมาธิครับเอ่ารายงานผลก่น อ, อนเป็น ไ, ไ, ไรก็นั่งทุกวันครับถึงจะมีการบ้านเดี๋ยวก็นั่งครับนั่งในนานเท่าไหร่ สาสิบนาทีครับหรือบางวันก็ยี่สิบนาทีครับอืมวันหนึ่งเราไม่กี่ชั่วโมงอยี่สิบสี่ชั่วโมงอืมเราไม่มปเวลาให้นั่งสมาธิแค่ยี่สิบนาที่ะครับทำไมเราไม่ทําอะไรหมดนะทำ <c oughs> กันบ้านครับทำบ้านะไม่เล่นด้วยนะดูทีวีเด้เปล่าไ <c oughs> ม่ได้ดูเลยค่ะบการบ้าน อ, อย่างเดียวเลยค่ะอทำบาอย่างเดียวเลยอืมก็ดี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 เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถออ่ดจำไว้นะร่างกายไม่ใช่เรานะเป็นเพียงเป็นเพียงคนรับใช้เราเราเป็นเจ้านายของร่างกายวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องขอลาออกจากงานก็าทาไม่ไหวก็ไม่ต้องไปเสียออกเสียใจออื เตือนใจเตรียมตัวไว้วันหนึ่งจะต้องมีการจากกันเรากับร่างกายจะต้องแยกกันไปคนละทางอ <ทะ S 1> ่าร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันร่างกายของคนทุกคนก็ต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาถ้าเราคอยเตือนใจสอนใจอยู่ทุกวันแล้วมันก็จะไม่หลงไม่ลืมแล้วก็จะไม่กลัวไม่เสียใจนะ โอเคแล้วการมานพิจารณาการทั้ท2่สองร่างกายอยู่เรื่อยๆในเรื่องของร่างกายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับฟ้งผืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารใหม่ อาหารเก่าเพี่ยในสมองฉีสระน้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันคข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่เค็น้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่เค็น้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงื่อน้ำเลือด น้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำดีเยื่อในสมองสีสะัะอาหารเก่าอาหารใหม่ใช้น้อยใช้ใหญ่ปอดไตทางพืชตับหัวใจมา้าเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็เนเนื้อหนังฟันเล็บฝนผมนอกจากท่องจำแล้วต้องดูภาพมันด้วยนะ เปิดหนังสือกายกรตาสติมาเปิดดูจะได้เห็นภาพของการต่างๆที่เราท่องไว้เราพยายามจดจำไว้เวลาเห็นน่างกายของใครที่เขาคิดว่าสวยว่างงามก่เรานึกถึงข้างในของข้างในนะของเขาบ้างว่าเป็นอย่างไงสวยงามไหมนะ แล้วก็ไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ใช่ไม้มใช่คับโอเคมีอะไรไ้ยไม่มีแล้วครับโอเคเดินไปที่น้องน้องพบอยู่ขอบคุณคระเจับมีเด็กคนขอเอาเด็กก่อนนะเด็กจะได้ไปนอนไนดะ้น้องพีว่า ม, มาสวัสดีคัะคุณครูสุชาติครับอ่าเป็นยังไงสบายดีค่บ ชวนม่วนร่ายภาพได้ไหมได้อยู่ครับอืก่อนนอนนองส่วนม้นก่อนนอนนะแล้ะนอนหลับฝันดีคร่ ะ, ะมีอะไรจะถามหรืป่าครับไม่มีครับอ่ะวันเกิดเมื่อวานวันเกิดไงเมื่อวานนี้วันเกิดเมื่อวานนี้วันเกิดหนูครับ ดีไหมเกิดมาดีไหมอะไรนะครับเกิดมาดีไหมเกิดมาดีครับดีหละชอบเกินเลยก็หนูก็ว่าไม่ค่อยดีแล้วะเพราะว่าเพราะว่าเกิดมาก็เหมือนเหมือนแบบว่าเลี้ยงมากเลี้ยวกันเกิดมาแล้วเดี๋ยวต่อไปตั้งแก่ใช่ไหมแก่แล้วเปล่า รู้จักความรู้จักแก่ไม่เป็นยังไงรู้จักครับอ่ารู้จักเจ็บไข้ได้ป่วยหรือป่าครับอ่ารู้จักตายหรือเปล่ารู้จักครับอ่าวกนี้ดีไหมล่ะดีไหมหนูตาถามดีค่ะดีะแก่เ<ด>จ็บตายดีไหมไม่ดีครับอ่าไม่ดีก็อย่ากลับมาเกิดที่บ้านนะครับพยายามไป ไปศึกษาธรรมะแล้วก็ไปปฏิบัติต่อไปจะได้น้องไม่ต้องกลับมาเกิดอีกวันนี้ก็ให้พอดีว่าไปรับที่โรงเรียนแล้วก็เปิดเปิดคลิปของหลวงพ่อพอดีเจ้าค่ะที่เทศเกี่ยวกับว่าตอนช่วงประมาณบ่ายสามูมงอะค่ะพอดีไปแล้วเขาก็เลยนั่งฟังถา <c oughs> กับกันจนจบพอดีไปรับที่โรงเรียนนั่งฟังกัน อันนี้ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังทำต่อไปก็จะซึมซาบเข้าไปในใจคก็วันนี้เมื่อวานวันเกิดก็เลยจะมาขอพรค่ะก็อขอพรอจะขอให้หนูเป็นเด็กเรียในในะัเสื้อเก่งๆมีมข่าวข่าดปลอดภัยแล้วก็อยากกลับมาเกิดเีกนะ สาธุสาธุาธคขอให้หนูมีสติปัญญาที่ดีนี่แหละอันนี้นสำคัญสติปัญญาก็จะไม่กลับมาเกิด น, นี่ก็เรียนเยอะการบ้านมีเยอะมากมีเยอะทุกวันวันนี้รีบรีบขึ้นมาก่อนดีวันนี้ไม่มีมีกันบ้านวิชาเดียวก็เลยขึ้นมาทันค่ ะ, ะทางโลกก็ต้องเรียนไปก่อนเพื่อเผื่อไว้ ถ้ายัางมาทางธรรมไม่ได้ก็สายความรูทางโลกยังดูไปก่อนแต่ถ้ามาทางทํามได้ก็ทิ้งไปเลยก็ได้ความรูทางโลกสู้ความรู้ทางธรรไม่ได้จริงเจ้าค่ะพี่พมีอะไรจะทําลงใต้ไหมลูกยังพี่เข้าสมาธิแล้วเลย <laughs> <laughs> โอ้น <mm ั่งสมาธิสวนมนตเสร็จแล้วหนูบอกว่าให้นั่งสมาธิต่อเลยเขาก็ยอมนั่งแต่แต่น้องพี่อยากจะถามหนูตามไหมตอนหนูนั่งสมาธิเป็นยังไงบอกซิตอนนั่งสมาตอไว้จริงๆอะหนูใส่เสื้อตัวนี้ครับหนูอะไม่เคยยุบยิบเลยแต่ว่าพอหนูจะสวดมนต์จะจะนั่งสมาธิทันทีเลยวุ ทันทีคือิบเลยยุบยิบเลยนะใช่ครับในตัวค่ะเมือนอะไรอยู่ในเสื้อน่ะไม่มีหรอกค่ะอเขาก็แพ้เขาบอกว่าเวลาเขาจะสวดมนต์ก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีเวลาไม่สวดก็ไม่เป็นอืมเราก็เลยบอกว่าคงจะเป็นขันธมานมั่งอะไรเงี้ยอ่ามามามาประจุต้องใช้ต้องใช้สติพุทโธพุทโธไปนะ เขาพุโต้พุโตไปเดี๋ยวมันก็หายไปถอดเสื้อเลยค่ะหลวงพ่อถอดเสื้อถึงจะสวมดมนต์นั่งสมาธิได้เขาก็ถอดเสื้อเลยอเขาบอกว่าองั้นเดี๋ยวเขาสวมดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้มันเป็นปฏิกิริยาของมกิเลสเวลาที่จะให้มันอยู่เฉยเฉมันก็จะนินงนะมันก็จะหาทางเมื่อก่อนก็ไม่เป็นนะคะหลังๆพอแม่บังคับเยอะก็จะเป็น ไม่ต้อดูกําลังของเขาเขารับได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิรวมๆแล้วก็แค่ยี่สิบนาทีเองค่ะให้เขาทําไม่ได้ทํามากอืทําไปกับเขาด้วยนั้นต้องเป็นเพื่อนทำเหมือนกันได้ค่ะใช่ใช่สวดพร้อมเขาอ้าปล่อยเขาทำคนเดียวเขาก็ยอมไม่มายุติดทำหน้าให้ทําน่อยไม่ไม่ทําเองใช่ค่ะใช่ถ้าทําร่วมกันเขาก็ยินดีนะ โอเคอำนี้กาอนะน้องเพีโอเคโอกานหน้าค่อยพบค่อยเจอกันใหม่นะค่ะค่ะเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหนูฝากฝากอ่าพอดีฝากน้องเฟิร์นเขาช่วยซื้อน้ำแร่ไปถวายหลวงพ่อตักบาตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะอ่าจุ๋มจ้กลับนมาสการค่ะหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะอ่าจุ๋ม ไปที่คุณนมอพี่เชนเช น, นอกาบนมัสะการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายการเจริญการเสื่อมรูปประชานกับรูปปัจจานก็เหมือนกับเป็นรูปประชานะรูปปัจานก็ความสงบที่เป็นเนวสัมมาทิในในขั้นต่างๆ การที่จะเข้าสู่รูปประฌานรูปประฌานก็ต้องอาศัยการเจริญสติกรรมาฐานอนาบานาสติอันนี้ก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีสติที่ที่ต่อ น, นี่ที่ไม่ขาดตอนมันก็จะเข้าไปเป็นขั้นๆไปเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ให้มีสติได้รู้เฉย อย่าปล่อให้ใจคิดปุ่นแต่งอย่าให้ปล่อยให้ใจทําอะไรมันก็จะสงบไปเรื่อยๆชานมันก็แต่ละขั้นมันก็สงบลงไปมากขึ้นมากขึ้นไปแต่การปฏิบัติเพื่อหลุกพลันเพื่อมากผลนิพพานนี้มันจําเป็นจะต้องไปถึงขั้นรูปฌานไปแค่ขั้นรูปฌานสี่ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเก็บรวมก็พ อ, อ แต่ถ้าอยากจะไปเล็กกว่า น, นั้นก็ได้แต่ต้องเพงแต่อันนี้ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ค่อ ย, อยมีใครพูดถึงเรื่องรูกประชาญกันก็เลยไม่ค่อยได้ไ ม, ไม่รู้เรื่องไม่รู้จะไปยังไงเป็นแต่ก็คิดว่ามันต้องไปด้วยสตินะสติเป็นตัวกํากับใจอันนั้น่ะให้ได้เข้าสู่รูก ป, ประชานสี่เพื่อได้อุเบกขา อเคคบตขานี้เป็นตัวที่จะทำให้ใจสู้กับกิเลดได้ถ้าไม่มีอเคคุเบกขาเวลาไปเห็นซากศพหรือของอะไรน่าเกียด น, น่ากลัวใจก็เกิดความกลัวขึ้นมาได้แต่ถ้ามีมีอเคคุเบกขานล้วมันก็จะไม่มีควา ม, มกลัวนดูลดูเฉย มันต้องดูบ่อยๆดูนานๆของผู้นี้เพื่อให้มันจดจำนะให้มันอยู่ในใจอาการ32ซากศพอนนี้เพิ่ศึกษาธรรมชาติของร่างกายจะ ไ, ได้ไม่หลงไม่ไปรักมันไปชอบมันหรือไปยึดไปติดไปอยากให้มันอยู่ไปนานๆานมันเป็นของที่จะต้องตายในวันหนึ่ง ดูไปวุ่นวาแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลัวเพราะใจไม่ได้เป็นผู้ตายใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้ดูร่างกายอันนี้ก็เป็นวิธีก่อนที่จะไปสู่ปัญญาและวิปัสสนานได้ใจต้องมีเบกขาอยากสมาธิก่อนแล้วเอกจากสมาธิมาใจที่ออกจากสมาธิก็ยังเป็นใจที่สงบเย็น มีเบคคาแต่มันจะไม่ไม่นิ่งหมายว่ายังบปนการพิจิตงแต่งใจมันก็ยังเย็นอยู่ยังไม่มีปฏิกิริยาไม่มีอารมณ์ตอบโต้อะไรที่มาสัมผัสรับรู้สักแต่ว่ารู้ไปแต่ก็อาจจะอยู่ยได้พักหนึ่งล้ต่อไปอุเบคคามันก็จะออกกำลังลงกือเรศมันมีกำลังมากขึ้นมันก็จะทำให้ใจที่เย็นเริ่มร้อนขึ้นมา เริ่มไม่สงบพอไม่สงบก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่พยายาฝึกสติฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนแลหลังจากได้ความชำนาญสามารถออกมาแล้วเข้าได้ตามเวลาทุกเวลาที่เราต้องการก็ขั้นต่อไปก็มาศึกษาธรมาาาธรมชาติของ ร, าร่างกายและธรรมชาติของนาำยุสรเสนสุรูปเสียงกลิ่นรสตา่างๆ มันเป็นขอไม่เที่ยงพรความไม่เที่ยงมันเลยทําให้ให้พูดที่ไปเสพจะต้องทุกไปติดมันจะต้องทุกขเพราะว่ามันอาจจะมีการสิ้นสุดหมดไปเวลามันหมดไปอาจากเราไปแเราก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสีย ใ, ใจแต่ถ้าเราไม่ไปเสพเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนเวลาที่มันเสื่อมหรือมันเจริญ ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเี่ยพวกนักบวชนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลกันรื่องลาบเนื้อเสริะเสริญกับรูปสเสียงเกิดมาทลายเพราะว่าอันนี้หมายถึงนักบวชที่ปฏิบัตินะไม่ใช่นักบวชที่ไม่ได้ปฏิบัตินักบวชที่ปฏิบัตินี่จะมีความสุขจากการเสพสมาธิก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะนั่งาอาสัยสะลาบเนเสริะเสริญสุขจากรูปเสียงเกิดมาเสพ นรงามยศเสริญจะมาจะไปมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทำใหนใจทุกข์ได้อันนี้ถ้ายังติดอยู่ก็ต้องพิจารณาให้แล้วมันเป็นของไม่เทีย่ยมลาบมันมาได้มันก็หมดได้ใช้ไปเรื่อยๆหรือมันก็หมดได้ยศตําแหน่งได้เรื่องขัง้นเรื่องตำแหนก็อาจจะถูกปลดได้หรือ รเราเสียนิยุบวันหนึ่งมันก็แล้วเราเสียนิยุบมันต้องเสิร์ฟสรรเสริญก็มีนินทิาสลับกันไปสลับกันมาสุขจากรูปเสียงกิแล้วก็มีสลับกับความทุกข์จากรูปเสียงกิเลสได้ยินเสียงที่ชาบก็บสุขพอไปได้ยินเสียงที่ไม่ชาบก็บทุกขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกก็อย่าไปยุ่งแบบอย่าไปอยากอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ อย่าไปอาศัยมันให้ความสุขกับเราได้มาเอาความสุขจากการเข้าสมาธิดีกว่า น, นี้เป็นการพิจารณาทางปัญญาถ้าพิจารณาแล้วรู้สึกจิตน้ําฟุ้งขึมาก็หยุดพิจารณากับเข้าสมาธิพักจิตก่อนพอจิตทั ก, ง ก, ก, ง ก, ก, งกสงบเย็นสบายได้โมเมาการกมาง้าออกจากสมาธิมาแล้วพิจารณาใหม่เป็กนกรจะปล่อยได้ เป็นแบบจะไม่ไม่ยึนไม่ติดกับสิ่งนต่างจากภายนอกกับกสู่ภายในต่นอไปก็คือน่างกายของเราก็ต้องพิจารณาเ อ, องเนามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะมันไม่เทีย่ยงเวลามันแก่มันเจ็บ ม, มันตายมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้อมันไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงธาตุสีดินนะ้ำลมไฟอย่าไปเืออย่าไปหลงติดคิดว่ามันเป็นตัวเรา เนาะค้นหาดูในร่างกายอาการสามสองก็ไม่มีตังส่วนไหนที่เป็นเราในอาการสามสิบสองนั่นเองศึกษาให้มันจนถ้าเห็นชั้นว่าไม่ร่างกายไป็นเยื่อตัวเราไม่สวยไม่งามต้องไม่เที่ยงต้องแก่เจ็บตายก็ะจะได้ปล่อยวางมันได้ปล่อยวางร่างกายนั้นได้แล้วก็แบบพิจาณาเมตนาเมตนาก็มีอยู่สาม สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็บังคับมันไม่ได้ให้มันสุขไปอย่างเดียวก็ไม่ได้เวลามันทุกข์ให้มันหายไปมันก็ไม่มันก็ไม่หายเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของที่เราสามารถควบคุมบังคับได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลนไปตามความต้องการของเรา มันทุกก็ปล่อยมันทุกข์ไปอยู่กับมันไปใจก็จะไม่ทุกข์ที่ใจทุกข์ใจอยากอยากให้มันหา ย, ยาใจรู้ว่าอ ถ, ถ้าอยากเราจะทําให้ใจทุกข์แล้วก็ไม่ได้ทําให้มันหายไม่อยากไปอยากดีกว่าทําใจให้อยู่กับอุเบกขาไปมันก็อยู่กับมันได้เนี่ยต้องมีอุเบกขาปัญญาพิจารณาปัญญาเพื่อปล่อยวางถ้าไม่มีอุเบกขาพิจารณาไม่ได้ พอทุกปั๊บก็เกิดความอยากอยากให้มันหายไม่สามารถนั่งนั่งพิจารณาอยู่กับมันได้ต้องขยับแข้งขยับขานี่เปลี่ยนอินยาบดิถถ้าเราต้องการที่จะฝึกให้เราอยู่กับทุกขเวทนาได้พอมันเจ็บมันปวดตามส่วนใดของร่างกายเราก็ใช้อุเบขาอยู่กับมันไปให้ปัญญาสอรว่านองห้ามันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ แต่เราอยู่กับมันได้โดยที่ได้เราไม่ต้องทุกกับมันได้ต่อไปก็จะปล่อยมีธนาได้แล้วไปที่พิจารณาจิตต่อไปจิต ก, ก็เป็นสิ่งที่ยังมีการแปรปวนอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่มียในจิตบางทีจิตบางวันก็ผ่องใสบางวันก็เศร้าหมองบางวันก็เครียดบางวันก็สบาย ก็มันก็เป็นอารมณ์ที่เปลี่นไปเปี่ยนมาเหมือนก็เวทนาที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้แต่เราอยู่กับมันได้สอนให้มันอยู่กับมันได้วันนี้เครียดเรารู้ว่าเครียดเนี่ยไปใช้ไปรู้ไปแต่างทีถ้าเรารู้สาเหตุของความเครียดเราก็บางทีก็หยุดมันได้เช่นบางทีสติเราปล่อยให้มันปูงแต่งหน่ยความเครียดขึาเราก็ใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่งเนี่ย เราเครียดเราก็สงบตัวได้ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่ทําให้เราเครียดเราเป็นตายรล้วมันก็มันก็หายเคลื่อนได้แต่บางอย่างก็อาจจะทําไม่ได้ก็ต้องผ่านอยู่กับมันไปอบใจก็ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรทั้งสิน้นไม่อยากกับอะไรใจก็จะไม่มีความต้องอีกต่อไปใจก็หลุดพ้นหเลย เนี่ยน่คือขั้นบรรยาแต่ก่อนจะมาขัา้นบรรยานี้ต้องํานานทั้งขั้นสมาธิก่อนต้องสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาที่จิตฟุ้งต้องการภาพจิตก็เข้าสมาธิไปได้ถ้ายังไม่ชนานาญก็อย่ากพึ่งมาทงางบรรยาฝึกสติเอาอยากสมาธิก็ฝึกสติด่าพุทโธพุทโธเรียนเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย แล้วก็กลับเข้าไปสมาธิใหม่สลับกันไปให้เข้าสมาธิให้บ่อยให้มากให้จำนานแล้วค่อยมาทาปัญญาต่อไปไม่นาไปที่เอารูกประชานจะปฏิบัติเพื่อการหนุนพรที่แค่สมาธิขั้นฌานสี่ขั้นอุเบกขา น, นี่ก็พอเพ็น เาจนะคุมอครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ครับอขอบคุณคุณยืนสูงครับอ่านี้คนที่ตีมานอนเมืออวานนี้ทํางานรึเปล่าสอนวัฒนการค่ะอ า, าจารย์ทํางานค่ะทํางานจาถึงสุกเลยค่ะอาจารย์เลิกค่าเลิกเช้าเลิกเลิกเยน็นเลิอกอ่าสี่โงครึ่งค่ะทํางานแปดมงมครึ่งถึงสี่โมงครึ่งทุกวันค่ะอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับผู้โดยสารนะอ่ามีไปช่วยตีบ้างค่ะ เป็นเวนค่ะเวนเสริมค่ะอาอจารย์มันกระเติทำธุราการใช่ไหธุราการใช่ค่ะมีไปตีอ่าค่ะเข้าขาออกบ้างเป็นบางวันค่ะค่ะอาอจารย์เป็นเป็นคนคนที่พูดภาษาเยอะไห ม, มเพิ่มขึ้นกว่าตอนโควิดเยอะอยู่ค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็เดือนละส3งสมหมื่นได้แล้วค่ะอาจารย์อ๋อ ที่ที่นอนเรานี้ยนะที่นอนเมืองใช่ใช่ค่ะอีกหลักแสนแล้วสิคะอาจารย์น่าจะหลักแสนแล้วใช่ใช่ค่ะอันนี้เขาบปีนี้คนเข้ามาสิบสี่ล้านไปนะไม่เห็นใช่ใช่ค่ะอาจารย์เยอะเยอมากยิ่งตอนนี้มีพวก M O U เข้ามาอีกก็แล้วฟรีวีซ่าจีนอินเดียอีกก็เพียบเลยค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ดีเอาเงินเข้ามาให้คนไทยได้ใช้่นใจครับอาจารย์โอเค ไม่มีอะไรนะค่ะไม่มีค่ะตอนนี้ฝึกสติทุกวันค่ะอาจารย์เมื่อตอนนี้ต้องฝึกสติให้ให้ได้ก่อนให้เข้าสมาธิให้ได้ก่อนค่ะโอเคไปที่คุณชารการต่อใช่ไหมบางธรรจทอาจารปฏิบัติอยู่ค่ะปฏิบัติอะไรสาธิปฏิบัติอะไรสติสมาธิปัญญาหรืออะไร ก็ปล่อยวางเ่อเพราะว่าไปไเอาอะไรไปไม่ได้ค่ะก็อยากไปยิ้มค่ะค่ะอาจารย์ค่ะยอหญิงคิณลายพรผมยาวขึ้นเยอะัเลยนี่ยผมยาวขึ้นแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์กับนุ้มกันไม่ไม่กนีดไม่ก่อนต่อ เพื่อนก็ชวนไปบวชอีกรอบหนึ่งแต่ว่ายมหยิ่งเกงใจสามีเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอก่อนขอทําตัวดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปใหม่เจ้าค่ะเกงใจเขาค่ะพระอาจารย์ไม่อยากไม่อยาให้ใครน่าสุภาพไม่ใช่พระอาจารย์ก็ก็เขาอยู่คนเดียวอะค่ะไม่ใช่เกงใจกลัวเขาจะไปหาใหม่มากกว่าไม่ใช่พระใจกลัวคนสองพาม์ทเขาจะไปหาใหม่ คพระอาจารย์รู้ใจนะคะก็ปฏิบัติอยู่พระอาจารย์แล้วเดี๋ยวน่าจะวันศุกร์อะค่ะเดี๋ยวพาคุณพ่อไปกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะไปใส่บาตพระอาจารย์ค่ะอ่าไม่มีอะไรนะไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติอยู่แล้วค่ะค่ะลูกสาวเป็นไงทําใจได้ยังค่ะพระอาจารย์เขาก็เครียดก็คอยดูน้ําตาลก็ควบคุมน้ําตาลของลูกอะค่ะเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ํา หอมลงไปเดียวกเลยพระอาจารย์ลูกสาว่็บ่นหรือว่าเดี๋ยวจะพาจับไะกาดพระอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวรอให้หลานหยุดก่อนเจ้ะพาแล้วเดี๋ยวพาไปกาดพระอาจารย์ค่ะโอเคเขาก็เขายังปล่อยวางไม่ได้พระอาจารย์อืค่ะก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะคะอืมพระสงสารเขาเหมือนกันพระอาจารย์มันยากค่ะลูกอะคะ่ะอืองฝึกสมาธิในะคะเวลาฝึกสมาธิให้มีอ่เบคขาถึงจะปล่อยวางได้โอ้ยากพระอาจารย์ ไว้ไว้ไว้ไปให้พระอาจารย์สอนนะคะ่ะค <c oughs> ่ะเขาเรามีปัญหาก็จะฟังทำฟังเทศพระอาจารย์นะคะพอก็ฟังสักพักหนึ่งก็อ่าหยุดไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่พระอาจารย์แล้วก็ลืมแล้วก็ลืมใช่ค่ะเราฟังบ่อยๆให้มันใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระจาะรย์รักษาฐานนะคะยมมองยมมองเวลาพระอาจารย์ไปรับปิญธาแล้วค่ะยมอยากไปใส่ตลอดเลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวเมือค่วเวลาเดี๋ยววันศุกรนะ์นีเจ้าขาพระอาจารย์เชิญจ้ะสาธุค่ะคุณยินดีเป็นยังไงเดวินนั่งสมาธิอยู่เลยค่ะท่านอาจารย์ก็แต่ไม่ได้ทุกวันนะคะท่านอาจารย์เวพานะพวันพระนะเฉพาวันวันพระแล้ววันนี้หนูก็เลยบอกว่าเออ่จะมากราบท่านอาจารย์นี่พอดี เขาเมื่อเช้าเขาเจอท่านอาจารย์แล้วใช่ไหมคะท่านเขาเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเ อ, อมันเป็นซิสมันเป็นไทยเออ่ของเป็นท่าภาษาไทยค่ะแล้วเขาเขาบอกว่าเขาได้กราบท่านอาจารย์แล้วแล้วหนูก็เลยบอกว่าโอ้ยอยู่ก็นั่งสมาธิได้ไหมกนั่งเขาบอกเีเดี๋ยวเขานั่งก็ท่าอาจารย์ค่อยเป็นค่อยไปคะ่ะท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ค่ะดี ทำได้ก็ทําไปทําได้ก็เป็นประโยชน์ ก, กับผู้ทํา น, นั้นแห ะ, ะทําค่ะใช่ค่ะได้ทำเพราะช่วงนี้ทักร้อนแล้วเขาก็ได้รีแลกซ์ของเขาแล้วเขาก็ได้มาเจอท่านอาจารย์เขาก็มีความสุขกับท่านอาจารย์อืมีความสุขกับท่านอาจารย์ที่มาเจอท่านอาจารย์เป็นแบบได้มากราบท่านอาจารย์ได้มาเขามีความสุ ข, ขเขาอยู่ก็ดีใจด้วยค่ะท่านอาจารย์ดีโอเคมีอะไรไหม ใชค่ะก็มาร่วมฟังธรรมค่ะท่านอาจารย์โอเคอาจารย์ท่านขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะอืในที่อาจารย์ผมไม่ไรอาจารย์กรรมราชการท่าอาจารย์ค่ะคุณนันทคุณสบายดีนะสบายดีครับอาจารย์นะหมอมา้เรียบร้อยแล้วยังไม่รีบร้อยการรับวนที่สิบเจ็ดแล้วก็จะทําซ่อมแซมวันที่สิบแปดฮะ ไว้หายเป็นปกตินะทำไมนี่หมอเก่งวิธีการก็เรียบง่ายด้วยค่ะอืเป็นวิธีสมัยใหม่ค่ะเจาะเข้าไปเฉยไม่ต้องผ่าไม่ไม่ต้องผ่าค่ะใช้สอนกล้องเลือดดำค่ะลอยไปตามอขาหนีบนะครับเหมือนทำบรรลูนนะคะเออ อ่าเราก็ไปใส่เป็นเป็นคลิปเปน็นอิดที่ลิ้นหัวใจอค่ะฟังดูง่ายดีค่ะแต่คงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเห็นหมอหมอบอกต้องใช้เวลาสองชั่วโมงครึงนะ่งเนี่ยต้องวางยาถ้าเราบอกเรามันไม่ต้องทิง้วงวางยาครับว<อ>างยาครับเพราะต้องกลืนกล้องเข้าไปเพื่อหมอจะได้เห็นค่ะอืะเราฟังดูแล้วอ่านดูก็เหมือนกับ ปลอดภัยที่สุดนะคะโดยวัยเท่านี้ทำอย่งนี้ปลอดภัยก็ขอให้เป็นโรคสุดท้ายอะค่ะขอให้เป็นโรคสุดท้ายแล้าว่าเป็นมาหลายโรคมากเป็นโรคสุดท้ายก็ต้องไม่ไม่ไม่มาเกิดใหม่ไม่มาเกิดใหม่ก็คงต้องปฏิบัติอีกเยอะนะมึงนะครับชาตินี้ก็เป็นโกสุดท้ายแล้วก็ปฏิบัติให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมาเกิดใหม่ โอเคค่ะคงกลับพระอาจารย์ได้ค่ะจมวันที่ส8บแปก็คงไปสิ้นเดือนได้นะฮะผมข้ามไปอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หน้าก็ยังกลับได้อืมเห็นไปที่คุณตายต่อคุณตายพรยาน้องกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์อเป็นยังไงบ้างว่าสบายดีค่ะพระอาจารย์ ก็มีภาษาเยอะเหมือนเดิมมุ่นบายเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิเท่าไหร่เกเลีนิดนใช่ค่ะก็พยายามพยายามอยู่ค่ะอาจารย์เวลาฝึกสตินี่ทําได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิฝึกสตินี่ก็ทําอะไรก็มีสติคอยคอยพุทโธพุทโธไว้คอยคุมไว้ แลวคะเมาอเช้ากหลุดค่ะเอเาก็หลุดก็คือพูดไปไปตลาดค่ะพอาจาย์ไปซื้อมาขอแต่ว่าถือเงินอยู่ร้อยเนงก็คิดว่าเราให้เขาแล้วนะแล้วก็จะเลือกอีกอย่างนึคงค่ะพระอาจารย์ยมก็ว่าเอ๊ะเราให้ไปแล้วแต่คนขายอ่ะบอกว่าเรายังไม่ได้ให้ก็ต้องโอเคเรา อาจจะสติหลุดหรือว่าเรายังไม่ได้จ่ายเขาแต่ใจอ่ะคิดว่าเราจ่ายไปแล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรจ่ายสองรอบก็ได้หรือว่าถ้าเรายังไม่ได้จ่ายก็จ่ายตามให้เขาเขาหลุดตั้งแต่เช้าเลยว่าอาจารย์ <laughs> ไม่มีสติไม่คิดว่าทำบุญไปก็แล้วกันถ้าจ่ายนะแล้วก็ทำบุญไปค่ะก็เลยว่าเอาสบายใจก็จ่ายอีกรอบดีกว่าแ ต, แ, ตแต่ความจริงเขาคงยังไม่อยากเขาคงยังไม่คิดจะเอาเองนินแล้วหรอกอาจจะคิดว่าจ่ายไปแล้วก็ได้ ใช่คะ่ะต่างคนก็ต่างเผลอคะ่ะว่าอาจารย์ก็เลยอเอาเอ า, เอาให้แบบให้เราสบายใจใจ่ายรอบก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่รู้ตัวว่าเนี่ยถ้ามีสตินะจะได้รู้ว่าเราจ่ายหรือ ย, ยังไม่ได้จ่ายทําบุญเมืเอเ่อกี้นี้ยังทําได้เกี่ยวกัการทําบุญไปแล้วสบายใจคนที่<ช>ทําบุญบ่อยๆจะไม่ค่อยเสียดายเงินทองเท่าไหร่เกี่ยวกับการทําบุญไปค่ะ ก็เลยเตือสติต so ัวเองเหมือนกันก็รู้ตัวว่าโอเราสติถ้าม like ีสตินะเราก็จะบอกเขาได้ว่าเป็นแฉากฉากว่าเราจ่ายหรือไม่จ่ายแต่อันนี้ก็คือไม่มีสติมันก็เลยบอกไม่ได้ว่าเราจ่ายหรือยังไม่ได้จ่ายนะคะก็รู้ตัวนะคะว่อจาร์เพราะไม่มีสติก็เลยต้องเสียสตันใช่เนี่ยล่ะค่ะเนี่ยวันนี้ก็หลุดหลุดย่องนี้หลุดหลดค่ะพ่จาร์แล้วก็ยอมมี คำถามกับพระอาจารย์หนึ่งน้นหนึ่งว่าพอดีโยมมีพระที่ท่านที่โยมนับถืออยู่อะค่ะท่านมรณะภาพค่ะถ้าโยมถ้าโยมไปจะถือว่าโยมกลับไปเที่ยวบ้านหรือเปล่าโยมยังสองติดสองใจว่าเอ๊ะจะส่งปัจจัยไปทําบุญหรือว่าไปกราบสิริราท่านดีอะไรอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ อ, อยู่ที่เจตนาของเราว่าเราต้องเราจะทําเลย ต้องการไปเที่ยวแต่อาศัยงานของท่านเป็นข้ออ้างไปหรือเปล่าบบถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็ต้องไปที่วัดอย่างเดียวเสร็จวัดก็กลับโดยตรงยตรงไปตรงมาไม่แวะที่ไหนถ้าบอยสุดใจก็ใครจะไปเพื่อท่านอย่างเดียวว่าไปเสร็จแล้ว ก, กบกลับเสร็จแล้วก็กลับไม่ใช่เดี๋ยวขอแวะเที่ยวตรงนั้นหน่อยเที่ยวตนี้หน่อยอันนี้ก็ต้องยอมครับว่ามันก็เป็นเรื่องของการไปเที่ยวด้วยแล้วกัน จะเหล่าตัวเองก็แล้วกันต้องยอมรับความจริงนะเราจะไปทําอะไรดูพฤติกรรมดูการกระทําของเราเนะี่ยแล้วทําอะไรใช่ไหมถ้าเราบอกไปงานศบแต่เราแวะไปเที่ยวนู่นเที่ยนี้มัน ก, มนก็มันก็เที่ยวอะ่ะ <laughs> ยอมคิดว่ายอมไปแล้วก็จะไปเพราะว่าวัดเขาอยู่บนดอยไงพระอาจารย์ <laughs> ถ้ายอมไปยงมก็ต้องขึ้นไปบนดอยแล้วก็ไปนอนค้างที่นูน่นแล้วก็มันมีเที่ยว บ, บินไปพรุ่งนี้แล้วก็ กับวันอาทิตย์อย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์มันมีบินแค่อูตภามีบินแค่แค่นี้เองเชียงใหม่เนี้ยค่ะได้เพ<ม>ื <จะ S 2> ่อนหาถ้าเราไปเพื่อไปงานไปงานอย่างเดียวก็ไปถ้าเราคิดว่าเราบริสุทใจเราเพื่อไปเพื่อไปกราบท่านไปคาราวะท่านก็ถ้าเราก็ไม่แวะไปเที่ยวที่ไหนมันก็มันก็ไม่ได้ไปเที่ยวแต่ถ้าเราขอเที่ยวด้วยเราก็ต้องยอมแล้วว่าเราก็อีกตัวขอเที่ยวนั่งเลยค่ะอาจารย์ มันคือใจเล็กๆของเรามันจะเปไหนเที่ยวดูไหนๆเสียเงินค่าตัวแล้วก็ต้องห้คุ้มค่าหน่อยนะไปทำงานไม่ตองเที่ยวแล้วยังไม่ได้จองตั๋วค่ะแต่ว่าเข้ามาถามว่าใจกันว่าเราจะดูใจของเราว่าเราจะไปเที่ยวหรือว่าเราจะไปเก่าใช่นล้วมันก็อยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่การกระทําของเรามันนะค่ะ งั้เดี๋ยวตมาวัดอีกทีนะว่าถ้าไปเราจะไปทางไหนไปวัดหรือว่าไปบ้านหรือว่าไปเที่ยวค่ะอ่ามันดูไปชัดๆเลยจะได้ไม่ต้องโกหกตัวเองไม่ต้องหลอกตัวเองจะได้ว่าเรายังเรายังสอบตกอยู่เรายังติดเที่ยวอยู่ค่ะเดี๋ยวจะลองดูโอเคนะเจ้าข่าอาจารย์กลับขอบคุณมากค่ะสาธุ มาดกันอนงตาเั่น่นนนนนตามธรรมสักการค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามอะไรเลยค่ ะ, ะเรียนหน้าเียห ม, ยหมทุกอย่างชัดแจง้งก็ดีค่ะอาจารย์พระอาจารนี้สมาธิเข้าได้ดีขึ้นมากค่ะอาจจะพาะระหว่างวันก็ จเจริญสติอยู่ค่อนข้างเยอะ mm hmm. ดูลมหายใจอเงี้ยพอคือนั่งแป๊บเดียวก็ตอนแรกก็ตกใจไปเอ๊ะทาไมไม่เห็นลมหายใจหรือหายใจเบาก็มาคิดว่าเอ๊ะหรือราหายใจเบาแต่ก็ก็คงไม่ใช่มั้งตอนแรกยังกังวลว่าไปไปบังคับหายใจเบาหรือเปล่าแต่มันไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกอะไมันรู้สึกสงบอาจารย์ก็เลยมาคิดว่าคงไม่ใช่มันก็คงแบบเข้าได้เร็วมันก็เลยสงบได้เร็วมากกว่างั mm ้นถ้าอย่างนั้น ไม่รว่าถูกหรือเปล่าใช่ลมเราเป็นแต่ดเฉยๆนูเฉยๆเรไม่ต้องอะไรบางครั้มันส่วนใญ่ท่านจิตมันนั่งจะสงบมันมันจะพอมันสงบลงมันก็จะละเอียดลงไปเรื่อยเบางไปเรื่อยใช่เมันมันเบาสงบเย็นสงบเลยอ่ะแบบว่าสงบเลยแต่ว่ามันมันมันเข้ามันแบบมันก็สงบได้เร็วขึ้นก็เลยเร็วขึ้นกว่าที่เคยทํามาก็เลยรู้สึก หปลกใจนิดนึงแต่ว่าก็สังเกตตัวเองว่าเหมือนช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างวันเราก็เจริญสติทั้งวันค่อนข้างมากค่อนข้างมากเดินไปไหนเดินอยู่ไหนก็ดูลมหายใจบ้างพุดทัวบ้างแล้วแต่อันนั้นแหละมันเป็ตัวสําคัญที่สุดก็คือสติอ่าเรามีสติมากเวลาเข้าสมาธิครั้งหน้าจะงบได้เร็วอ่อาในการก็ก็เลยเนี่ยมันก็เลยช่วง น, นี้ก็เลยมัอนแบบ ทำให้เรามีกําลังมากอยากจะออกไปวิเวกมากเพราะฉะนั้นเพราะว่าเหมือนแบบกำลังมันกําลังเดียวเหมือนเหมือนเหมือนได้แรงมาค่อนข้างดีเราก็เลยอยากจะออกไปวิเวกให้มันเหมือนก้าวหน้าขึ้นไปไปอีกมันความอยากมาแล้วพระอาจารย์ <c oughs> อยาแบบนี้ไม่เป็นไรอะอยากอยาก็าเลยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอ่าพสิที่บาสีาคนจะหลุดพ้นคนจะทําทอะไรสําเร็จได้ก็ต้องมีฉันทะวิริยะจิตตวิบาวิมังสา ก็เลยขีดปฏิทินเลยว่ามิถุนาห้าวันจะขอไปไปบอกสา ม, มีห้าวันนี้จะไปป่าแล้วนะ <g ül> <g ül> จะขออืมก็เลยอกอขีดแลว้วจำเราคิดได้อย่างเงี้ยเปิดปฏิทินดูไม่มีงานก็ต้องขีดเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีะตัวมากครอบครัวเราล็อกไ <g ül> ว้ก่อนเลยใช่ไเราล็อก <g ül> อะไรเข้ามาช่วงนี้ไม่ว่างนะเราใช <g ül> ่เราต้องเราลอกปุ๊บเราจะให้ความสำคัญกับเวลาตรงนี้ที่เราล็อก ต้องมีศัจธาที่ฐานอันนี้นเวลาที่เรากําหนดวันนี้เราเรียกว่าที่ฐานนะแล้วเราก็ต้องมีสัจธาต้องไม่เปลี่ยนใ จ, จก็เนี่ยก็เลยแบบว่าพอรู้สึกดีก็เลยอ๋อมีแหละเดี๋ยวมิถุนานเพราะว่าเมษาพฤ ษ, ษภาไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกไปปลีกวิเวกเลยก็ไม่ถุนาล็อกแล้วบอกแล้วอบอกแล้วว่าไม่อยู่แนละ้วช่วงนี้ประกาศให้ทราบอืมไม่ไม แต่มันก็ดีค่ะอาจารย์ถ้าเราไม่กําหนดไน้มันก็ยำ ม, มันก็ยำ ม, ม, ม, มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอยู่ด้วยไงจริงค่ะอาจารย์คือถ้าเราไม่ตั้งมัน่นอ่ะไม่ไม่ไม่ตั้งว่าอย่างที่พอาจารย์ว่าใช้คำว่าอธิษฐานคือกําหนดให้ชัดเจนเราก็จะโอ้ยเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมีแทรกตลอดมีข้ออ้างค่ะอาจารย์ใช่เหมือนพระพุทธเจ้าตอนนี้นั่ง ใ, ใต้คนต้นโพธ์ว่าต้องสัจ่จารอธิษฐาน เป็นเด็กกิเลสมันจะมามาต้องลุกไปทํ وب, ปาทนู่นลุกมาทํานี่อก็ดีค่ะอาจารย์ น, นี้วันนี้ก็ไม่ได้มีคําถามอะไรก็แค่รู้สึกว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ ulative, รู้สึกสรู้สึกสมาธิเข้าได้เร็วขึ้น <checking. S 1> มันก็เลยมากระตุ้นให้เราแบบทอย่าจะออกไปมีเวลาทั้งวันในการที่ปฏิบัติการสติใช่ จ, <ร>จะเห็นความสําคัญของสติมากขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรสำคัญเท่าสติ รรพระงุทธเจาบอกสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติจริงค่ะพี่จันเพราะว่าพอระหว่างวันเราจเจริญสติได้ทั้งวันทําอะไรพรอไม่มีอะไรต้องคิดเราก็อยู่กับลมหายใจหรือพุทโธเวลาเข้านั่งปฏิบัติปุ๊บเนี่ยใช้เวล า, มาไม่มากเออไม่มากแล้วมันไม่ค่อยมีความฟุ้งว่าจารย์เหมือนกับมันมันไม่ใช่แบบแบบเก็บเรื่องทั้งวันไม่มีอะไรก็มาคิดอยู่ในหัวสติคุมไว้สติคุมความคิดไว้ใช่ค่ะดี ัอาจารย์ก็เลยมีมีแต่คะวันนี้โอเคขอรักษาสติปไปได้รน่กันแล้วกันครับว่าทำให้มันเต็มไปได้สายในต่อไปใช่ครับอาซึ่งดีมากๆผมว่าดีมากๆโอเคอาจารย์พัดแขนแข็งแรงนะคะอาสาธุไปไี่คุ็นมาเลต่อคุณนมารลยอุธากายกลหลวงพ่อข้าอืม ก็ปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อเมื่อกีไม่ค่ะหลงพ่อเมือ่อกีอ้ฟังที่สลวงพ่อเทศตอนที่คุณหมอวิเชศถามว่าหนูวันนี้ดีใจมากเลยค่ะหลงพ่ อ, อ, อมันมันเห็นแนวทางที่ชัดเจ น, นพอเราได้สติแล้วก็มาพิจารณาทางปัญญาพิจารณากายของเราหให้มากให้มากพอเสร็จเสร็จจากกายแล้วก็ไปดูจิต ที่หลวงพ่อบอกว่าพอเราดูจิตมากๆมันจะทำให้เรารู้สึกปล่อยวางไม่ได้ไปยึดเปติดอะไรเนยหนูหนูรู้สึกมันมันมันโล่งใจยังไงบอกไม่ถูกว่าเออน่าจะเดินไม่ผิดแล้วค่ะหลวงพ่อแต่ว่าชั่วโมงยังน้อยไปก็ต้องทำให้เยอะๆอีกค่ะแต่สมาธิหนูตอนเนี้ยคือ แค่ฟังได้ยินเสียงพระเทพหรือว่าเราฟังธรรมะอย่างนี้ก็เข้าเข้าเรียบร้อยค่ะหลวงพ่อแบบดีมากมากเลยค่ะหลวงพ่อเข้าสมาธิสงบนิ่งแล้วพอพอเสร็จของมาหนูก็จะพิจารณากายของเราว่าเออมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราแล้วเราค่ะแล้วมันแล้วเราก็ไม่มีอยู่ในนั้นไม่ว่าจะมองไปตรงไหนทุกที่ตั้งแต่หัวจนถึงเท้ามัน เราไม่ได้อยู่ในนั้นเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในกายเรามันมีแต่ของที่มันไม่สวยไม่งามมันพร้อมที่จะรั่วจะไหลออกมาตลอดเวลาแค่หนังถลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ออกมาแล้วพอพอมันเห็นภาพตรงเนี้ยหลวงพ่อมันมันมันเหนอนใจมันสะดุดซึกเออมันเหมือนมันเห็นความจริงหลายหลอย่างว่าเออมันจริงๆนะมันไม่สวยไม่งามแต่หนูหนู รู้สึกนิดนึงอะค่ะหลวงพว่อค่ะพอเราพิจารณาตรงนี้มันทำให้เราไม่ชอบไม่ชอบหมายถึงว่าไม่ไม่ชอบกายเราอะค่ะหลวงพ่อแล้วบางครั้งพอเรายิ่งพิจารณาไปเยอะๆอะค่ะก็ CROSSTALK มันมันมีอาการเหมือนกระอักกระอ่วนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันเห็นก็ต้องหยุดถ้าถ้ามันก็เป็นแลาเป็นเมตตาภาวนาสลับกันบ้างอืมค่ะ เมตตาต่อตัวเราและเมตตากําล่างกายเราด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เมตตาหลายคนอื่นเมตตากําล่างกายเราด้วยอย่าเกี่ยวไปคิดทําร้ายมันอย่าไปอะไรมันอะให้เพให้ดู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าแล้วก็อย่าไปรังเกียจมันยอมรับความเป็นจริงของมันอะให้ให้ให้มองมองเห็นว่าเออมันมันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เท่ ไม่เราไปลหลงไหลกับร่างกายว่จะทํางทำให้มันสวยงามต้องทํำผ้าทําผมทำตาทาหูทาอะไร อ, อย่างเงี้ยถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆมันเหมือนใจมันมันห่างจากแต่ก่อนที่เราเราเออเราจะต้องเนี้ยบเราจะต้องดูดีเราจะต้องอันนี้มันเหมือน <ừ. S 2> มันคลายๆออกไปอย่างเงี้ยเฉยๆละพล่อยนะอมันสะอา ด, ดเรียบร้อยก็พร้อมไม่ต้องเสริมสวยอะไรค่ะหลวงพ่อ มันมันรู้สึกมันจางมันคลายลงจากเดิมลงไปอ่ะค่ะหลวงพอ่อก็เลยคลายเห<ต>มือนถูกขยะ ด, ดีดีนีใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อุงดำถุงดำเราเปิดก็ไปดูเลยเออไม่ได้ขยะ ห, หนูพอดีหนูมี ม, มีอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้วหนูก็เห็นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อ ท, ที่ที่ตะศกหนูเขียวแล้วก็มีน้ำเลือดพอมันเห็นภาพตรงเนี้ยค่ะหลวงพอ่อ ม, มัน สมอสติปัญญามันบอกเลยบอกว่ามันมันมีแต่ของที่พร้อมที่จะแตกจะรั่วจะซึมแล้วมันก็ไม่ได้ว่าดีเลยอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ ม, มันเห็นเห็นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาทั้งของเราทั้งของคนอื่นด้วยนะ ม, มันจะได้มันจะได้ไม่ไปหลงรักร่างกายของคนอื่นแต่มาชังร่างกายของเราต้อดเออเูเหมือนกันร่างกายของแฟนเราเหมือนกับร่างกายของเรา มันก็เป็นสุภะเป็นปฏิกูลเหมือนกันอ่าอวันนี้งกายต้องรอบครอบต้องต้องพิจารณาทั้งสองอย่างทั้งของเขาทั้งของเราตายตายเหมือนกันหมดแก่เหมือนกันหมดเจ็บเหมือนกันหมดไม่มีข้อยางเว้นถ้าถ้าสมมว่าพิจารณามากๆแล้วรู้สึกว่ามันมันรู้สึกมันมันไม่ไหวก็ก็อยู่กกับพักก่อนอืมห่างอ๋อพักสมาธิก่อน อ, อการออกเสด็จสมาธิก็เข้าขมาพิจารณาต่อจนจนกว่ามันจะปล่อยวางได้ปล่อยวางนั่นจกายนะค่ะหลวงพ่อแล้วพอดีคุณหลาเขาส่ ง, ส, งส่งข้อความธรรมะตรงนี้มาให้หนูก็ทําตามเหมือนที่หลวงพ่อสอนค่ะของหนูจนําหลวงปู่ไม่ได้หลวงปู่เจ๊มังคะที่คุณหลาส่งมาให้ก็แบบนี้นะคะก็คือพิจารณาพิจารณาให้มัน เยอะๆให้มันชํานาญอะไรเงี้ยค่ะพอพอลองทําแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ไหวแอ้วค่ะนึกถึงปั๊บมันก็ผล่ขึ้นมาเลยนึกถึงอสุภะก็ผล่ขึ้นมาเลนึกถึงอะไรต่ตางๆก็ผล่ขึ้นมานึกถึงความตายก็ผล่ขึ้นมานึกถึงอะไรก็ผล่ขึ้นมาค่ะหลวงพ่อวันนี้ดีใจที่เห็นเส้นทางนะคะหลวงพ่อที่หลวงพ่อย้ำเอ่อ กอเดินเดินไปเป็นขั้นขั้นปัญญามันน้อมพิจารณาภายนอกก่อนปล่อยวางภายนอกแล้วมาปล่อยวางร่างกายเราปล่อยวางเวทนาปล่อยวางกิจตามลําดับต่อไปค่ะขอบคุณคุณมากมากค่ะสาธุสาธุค่ะคุณจันนี่มันก็กล่ำนามัสการค่ะพระอาจารย์ วันนี้มีคุณแม่ฝากคำถามมาค่ ะ, ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านมีความทุกข์ใจเวลาที่ฟังข่าวแล้วฟังข่าวเกี่ยวกับมีผู้ที่แอบอ้างศาสนาพุทธหรือพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนจะทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมเสียคุณแม่เขาเอ่อมีความทุกข์ใจในเรื่องนี้ค่ะก็เลยอยากมาถามพระอาจารย์ว่า ควรจะวางใจหรือควรจะปฏิบัติอย่างไรคะก็เป็นโลกธรรมอย่างที่พระเจ้าบอกว่ามีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาบางคนก็สรรเสริญยกย่องพระพุทธศาสนาบางคนก็ตำเนธทำนินทาศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามก็ไม่ได้มันต้องรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางศาสนามันก็เป็นศาสนาอยู่ดีใครจะชมก็ใครจะตำเนธมันก็เปลี่ยนศาสนาไม่ได้หรอกใช่ไหม Mm hmm. ให้รู้ว่าไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวอ่าใครก็จะว่าศาสนาเรายัางไงถ้ามันไม่เป็นความจริงมันก็ไม่เป็นความจริงถ้ามันเป็นความจริงมันก็เปลี่ยนไม่ได้มันจะไปเปลี่ยนมาให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ดีดังนั้นไม่ต้องไปกังวลศาสนาของเรานี่เป็นศาสนาที่สวยงามทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายธรรมขุจจยู่ที่พวกเราเนี่ยที่เราจะ สามารถที่จะปฏิบัติตามได้หรือเปล่านั่นเองไม่ต้องไปกังวลเราห้ามคนเลยเขาําเนรไม่ได้ถ้อาอยากจะทำํำเนรก็ปล่อยเขาทาเนรไปถ้อาอยากจะว่าร้ายก็ปล่อยเขาว่าไปไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องมากังวลอีกทีเราต้องกังวลก็คือเราปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าหรือเปล่าน่อันนี้สิ่งที่เราต้องค่อยสั่งเกต ด, ดูหาก พ, ะพะอาจารย์ แล้วก็หนูมีคําถามคือตอนนี้หนูก็พยายามปฏิบัติสติแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันค่ะแต่ว่าก็ยัง เ, เข้าเข้าสมาธิไม่ได้แต่ว่าบางครั้งหนูก็จะพิจารณาร่างกายเป็นกระดูกถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้แต่ว่าเราสามารถพิจารณาร่างกายเราเป็นกระดูกไปในบางเวลาได้ไหมคะ ก็ได้บางทีการพิจารณาร่างกายก็เป็นเป็นวิธีเป็นกรรมฐานนอย่างหนึ่งที่อาจจะใช้ให้ทําใจให้สงบได้ที่เขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็ได้พิจารณาความตายก็ได้พิจารณาการสาริสสองก็ได้ถ้ามันพิจารณาทําเหล่านี้มันก็อาจจะทําใจให้สงบได้ค่ะพระอาจารย์แต่แต่หนูก็รู้สาเหตุค่ะเพราะว่า หนูยังทุ่มเทเวลาให้กับการสติแล้วก็สมาธิไม่มากพอความเพียรยังไม่พอค่ะใช่เวลาปฏิบัติมันยังน้อยพร ะ, พระอาจารย์ต้องพยายามวันวันพระหรืวันอะไรว่างทั้งวันหนึ่งให้มันปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนดูค่ะอาจารย์นจะเห็นผลจะเห็นความแตกต่างระหว่างที่เราปฏิบัติแบบเล็กนะๆน้ๆๆอยๆกับเวลาที่เราปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่อง เนี่มันดะได้ผลต่างกังนเยอะอ่าพระอาจารย์จะพยายามปฏิบัติต่อไปค่ ะ, อะขอบพระคุณค่ะอาคุณหมอภาสนาเชิญอาปรนมนัมส ก, กานค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจโชคดีมากเลยค่ะก็ไปเยี่ยมลูกใช่ไหมคะที่โคราชแล้วก็บันจารย์ก็ได้ไปฟังเทศหลวงพ่อในวันวิสาขาบูชาที่โคราชเขาจัดที่จมร์บนเส้นเทศเหมือนหลวงตาหมาบัวแล้วก็ มันรู้สึกว่าพอฟังปุ๊บมันตอนนั้นที่หลวงปู่เจียพูดเรื่องของการดูร่างกายมันได้สามขั้นนะคะตอนขั้นสุดท้ายเนี่ฟังแล้วดูแล้วยังงงแต่พอท่านเทพอ่ะมันรู้สึกเออเข้าใจอกระจ่างขึ้นมาเลยกันเหพระอาจารย์มันเหมือนกับเข้าคนละมุมนะแต่ว่ามันเข้าใจอ่ะไอเทพอาจารย์พระอาจารย์สัมสัมดงค่ะสัมยงใช่แล้วก็วันอังคารท่านอยู่วัดก็ที่ได้เกือบการเรียนหันเท่าไว้ก็ไปที่วัดนะพระอาจารย์รูดใช้ใช้ให้ GPS ไปมันพาเข้าไปในทุ่งนะเข้าไปใน เด้อเข้าไปแบบโหเกือบติดลมอ่ะพระอาจารย์ตลกมากเลยก็แต่ว่าไม่ยอมแพ้นะพระอาจารย์ก็ขับออกมาพดี ม, มีคนบอกว่าให้ขับไปตอ่อไปนิดหนึ่งสองโลแต่แบบเราก็ได้ออกมาแล้วก็ไอวนหาก็เป็นโชคดีก็ไปไปวัดท่านถักได้อ่ะพระอาจารย์ก็ไปเจอท่าน <S <S เราก็ได้ไเรียนขอไปทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วพาคุณพ่อไปด้วยนะคะแล้วก็พาหาแฟนพาลูกไปก็ได้ขออนุ ญ, ญาตท่านว่าขอจะให้มานปีเวกนะคะก้อนหรือยาดเราต้องไว้ทํ า, าเอง น, นะ ท่านบอกว่าต้องทําเองไม่มีการสอนต้องแบบมีที่ทําให้ทําเองก็เลยดีแล้วท่านก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวคราวหลังจะไปเยี่ยมดูแล้วก็จะไปอยู่อืมก็ดีมากๆเลยก็แต่ว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเอ่มาจากพระอาจารย์นะคะพอคุยเสร็จแล้วท่านอนุญาตแล้วอ่ะก็ถึงถึงได้เรียนเพราะท่านบอกว่าก็คือฝึกมากับพระอาจารย์สุชาติเมื่อสามปีที่แล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านรู้จักพระอาจารย์ใช่ไหมคะสองปีอยู่กับพระอาจารย์สองปี อก็ก็คือเดี๋ยวลองไปดูนะคะพระอาจาเดี๋ยวไปไปิดิเว้แล้วเดี๋ยวค่อยกลัมาเรียนก็ดูพระสงบเลยครพระอาจารย์สงบทุกลจู่กลางป่าเลยครัพระอาจารย์เป็นทุ่งนาอต้องไปแสวงหาที่บางทีเราจะได้ไปที่ไปอยู่ปฏิบัติยาวเลยนะมันต้องเป็นวัดเล็กๆแบบเนี้วัดแบบวัดปฏิบัติแต่เป็นวันที่ยังไม่เจริญมากคนยังไม่ไปมาก ก็ยังไม่ค่ยเยอะและ้วก็ยังชอบที่ของหลวงพ่อทิพนกับพระท่านบุญมีนะคะแต่ว่าก็คื อ, อคงจะต้องสลับเพราะว่าเดี๋ยวพระ น, น, นิพนธ์เดี๋ยวพอพนนั้นแล้วเดี๋ยวจะได้ไปวัดท่านเหมือนกันเราจะได้ไปเยี่ยมท่านด้วยอแล้วหลวงพ่อพระอาจารย์คะเมื่อกี้พระอาจารย์บอกกับเอตอนตอน้ตนๆว่าอถ้ามันมีการวิทยานาจิตใช่ไหมถ้าดูจิตเนี่ยพระอาจารย์มันก็เหมือนกับว่าถ้าแต่ว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดรู้ก็คือสั่งแต่ว่ารู้ถ้าไม่มีอารมณ์ก็คือดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คืออสสัักตแ่่่ววาารรรูู้้มมนีะไ็ อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปทุกข์กับมันมันมีทั้งนมีทั้งดีทั้งไม่ดีบางวันทำลมดีบางวันทำรมไม่ดีเวลาเจอรมไม่ดีบางทีเราก็อยากให้มันหายมันไม่หายก็อยากจะทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าไม่ไปอยากให้มันหายก็อยู่กับมันไปก็จะไม่ทุกข์กับมันเหมือนเวทนาอ่ะมันก็สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ถ้าไม่ไปอยากให้มันหายมันก็ไม่ทุกข์ถ้าไปอยากให้มันหายมันก็จะทุกข์ได้ีก็คือพยาามดูอยู่ตอนนี้ก็ยังยังดีอยู่เลยนะคะอาจารย์ยังยังแบบว่าไม่ไม่มีทุกข์ค่ะอาจารย์คือรับได้ทุกสถานการณ์พระอาจารย์อเคจะทําต่ออาจารย์ตามของเขาก็คือค่ะอ่ามันแสงอย่ เป็นยังก่อนผมแล้วสบายไหมอาบน้อำอาบทานไม่นองกังวลกับเรื่องผมนะหวีก็ไม่ต้องหวีแชมพไม่ต้องใช้เจ้าคะสบายมากช่บชอบชอบค่บะเป้นแ ต, ต, ต, ต่ตัดผาทำผมทนไปก็ตกเป็นหลายตังงานเดือนนะแทบแทบจะไม่ก็ได้ทําผมไม่เคยเข้าร้านเสริมสวยเจ้าค่ะแล้วก็เครึ่ง ปัทิทิ้งผิวอะไรก็ไม่เคยใช้นานแล้วจ้ะคะตั้งแต่ฟังเทศพระอาจารย์คือง่คือตัดไปเยอะเจ้าค่ะอืมร่างกายมันไม่สวยงามหรอกนะมันเป็นของเหลอาของปองล้าปูงแต่งกันขึ้นมาเองเจ้าค่ะวันนี้ลูกลูกมีมาสา ร, รภาพพระอาจารย์เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อวันวิสาขาบูชาที่เข้าห้องสูง ลูกตั้งใจเข้ามากราบพระอาจารย์ที น, นี้พระอาจารย์ถามลูกว่าถือศีลแปดด้วยไมลูกก็รับคําพระอาจารย์ไปว่าถือศีลแปดจริงๆแล้วลูกจะบอกลูกก็เลยมาคิดอ่ะไม่ใช่นี่เรายังไม่สบายเรานอนพื้นยังไม่ได้ยังไม่มีแรงลูกอาการค่อนข้างน่ะค่อนข้างหนักอยู่เจ้าค่ะอื mm hmm. ลูกเป็นติ่วในถุงน้ําดี mm hmm. ทีนี้มันลูกลูกไม่ได้ไปไปรักษานานนะคะก็เลย มันลามไปที่กลับอ่อนเจ้าค่ะทีนี้อาการก็คือนอนสิบสี่วันเอ่อให้ยาฆ่าเชือ้อทีนี้พอวันนั้นกลับมาได้วันหนึ่งแล้วก็เลยเข้าห้องซูมคืออาการทุกอย่างยังปวดปวดเหมือนตอนที่อยู่โรงพยาบาลค่ะก็ยังไม่มีแรงทานก็ทานได้ครั้งละน้อยๆเพราะเพราะในช่องท้องปวดแน่นจุตลอดเวลาเจ้า่ะก็ยังมีข่ายอยู่ก็เลยยังยังอด เขาเห็นไม่ได้แล้วก็นอนพื้นไม่ได้ค่ะก็ต้องผ่อนผ่ไปตามเหตุการณ์ร่างกายมันไม่ทรองร์ต้องก็ต้องว่าไปตามเรื่องของร่างกายไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหอะไรยัยงก่อนจ้ร่งางกายจะกลับมาเป็นปกติแล้วค่อยทําค่อยรักษาไปา ก, ก็เลยก็เลยมาสรารภาพคระรู้สึกผิดเจ้า ก, การัรที่ว่าพระอาจารย์ถามว่า ถือสินแปดไมโครหัวแล้วถือสินแปดลูกรับคําอย่างเร็วลูกเผลอสติไปเจ้าค่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เปเจตนาไม่เป็นเจตนาที่ยาหลอกโลกโกหเจ้าค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะโอเควันนี้เท่านี้เจ้าค่ะอ่ะาเท่นี้ก่อนนะเจ้าค่ะไปที่เท็กซัสก่อสภัทตา ยังไช่วงนี้อากาังไงครับพายุยอะเลยไตามขาวพายุเยอะตอนนี้พายุที่เท็กซัสเยอะเจ้าค่ะลูกยังอยู่ที่ไวโอมิงแล้วก็ได้ตามข่าวแล้วค่ะที่นอตเท็กซัสตอนเหนือเจ้าค่ะที่ทันโดรถลมเมืองเอ่อแวลลีวิวเป็นเมืองที่ลูกไปตั้งแคมป์มาเจ้าค่ะก็เลยเห็นสภาพใช่เจ้าค่ะ ที่ลูกไปตั้งแคมป์สองอาทิตย์นะเจ้าค่ะแล้วก็<ม>เป็นแล้วก็เอ่อปั๊มน้ำมันที่เราขับรถผ่านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ<ม>ก็ไปหมดเลยไปหมดเลยใช่เจ้าค่ะร้อยกว่าคนเข้าไปอยู่ในปั๊มน้ำมันไปหลบไปหลบโทเนโดอ่ะเจ้าค่ะ<ม>ก็ไม่ที่ปั๊มน้ำมันไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่ารวมแล้วเกือบทั้งเมืองก็สิบห้าสิบห้าคน เสียชีวิตบาตเดเจ็บเป็นร้อยเจ้าคะ่ะกวาดไปเยอะเหมือนกันบริเวณนั้นนะเจ้าคะ่ะลูกกเ็เลยแบไม่เลยไปแคมป์อตอนนั้นพอดีนะเจ้าคะ่ะแบบเป็นอะไรที่แบบว่าดวงคือคื อ, ค, อคงยังไม่ถึงขั้นเลยเล ย, เลยงงมากเจ้าค่ะแบบแบบก็หนักหนักหนักมากเจ้าค่ะหนักมากหนักมาก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเลยที่ตอนนี้ตอนนี้ ออกมาเตือนใจกันแล้วก็ไม่มีอะไรแน่นอนเจ้าค่ะแล้วลูกเอารถบ้านมาจอดที่บ้านแม่ย่าที่ไวโอมิงลมแรงมากเจ้าค่ะประมาณห้าสิบห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบางวันนะเจ้าค่ะแล้วก็พายุเข้าก็เลยทำให้เราแบบว่าเหมือนก็ฝึกไปในตัวด้วยเจ้าค่ะว่าเออเราอยู่แบบนี้เกิดอะไรขึ้นก็ก็มันจะเกิดคงเกิดก็พยายามฝึกทำใจไปด้วยเจ้าค่ะ น้องโปรงแล้วมีโอกาสที่จะตายได้ทุกวันาทิตย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกมีคำถามเจ้าค่ะคือว่าคือว่าพ่อปู่คุณพ่อสามีเจ้าค่ะก็คือครอบครัวเขาเป็นคโทอลิกทีเนี้ยทีเนี้ยคือพอเอิญลูกๆเขาเนี่ยไม่ไม่มีใครสะดวกพาเขาไปโบสถ์แล้ว คุณพ่อสามีเป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งมากในการที่จะต้องไปโบสถทุกวันอาทิตย์แล้วเขาก็อายุ94แล้ว่เจ้าค่ะลูกก็เลยรับอาสาพาเขาไปโบสถทีนี้สามีลูกก็เลยกังวลว่าลูกปฏิบัติแล้วาการไปเข้าโบสถ์จะทําให้ลูกเหมือนเหมือนเป็นคทอลิกอะเจ้าค่ะแต่ลูกไม่ได้คิดแบบนั้นนะเจ้าค่ะลูกคิดว่า ไปช่วยคุณพ่อเขาเพราะว่าคุณพ่อเก้าสิบสี่ลูกลูกหยาบเป็นแค่ผู้ช่วยพาไปบวชเฉยๆไม่ได้ได้มันอยู่ที่เจตนาว่าเราทําเพื่ออะไรเราทําด้วยความเมตตาแผ่เมตตาเขาเรียกว่าแผ่เมตตาเราเราปฏิบัติตามชาวพุทธตามตามคำสอพุองเจ้าให้เปนความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงเราไม่มีเจตนาที่จะไปเรียนรู้ไปนับถืออะไรทางคําสอนตรงของผู้อันนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาเลย แต่เราจะต้องมีมายรญาทเวลาที่เขาเขาเขากาบหรือเขาทําอะไรแล้วเราทาตามเขาอันนี้เป็นเพียงกิริยาไม่เป็นไรทําได้อยู่เงื่อนหลวิวก็ต้องหลิวตาตามอะไอย่างเจ้าค่ะลูกจําคําสอนของพระอาจารย์ได้เจ้าข่าว่าเราสามารถแสดงทางกิริยาได้ลูกก็เลยลูกก็เลยแบบอย่างเวลาเขายืนลูกก็ยืนตาม เวลานั่งก็นั่งแล้วเวลาเขาคุกเข่าแบบพนมคุกเข่าแบบอย่างเงี้ยลูกก็ทําแต่ว่าเจ้าค่ะแต่ว่าในใจของลูกลูกก็ท่องพุทโธอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะทํางก็ได้ไม่ท่องก็ได้เพราะเรารู้ว่าเราไม่เล่นไปอไปมีอะไรกับการกระทําของเขาทั้งนั้นเองเราทําเป็นเพลงแต่เป็นกิริยาไปเจ้ค่ะ ลูกก็พยายามแบบว่าอยู่กับผู้โทเพราะว่าบางทีพอเราฟังปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราแบบกลัวว่าใจเราจะไปมีอคติต่อคําสอนของเขาอะเจ้าค่ะลูกก็เลยเทิ้งการฟังแล้วก็ท่องผู้โทรฟังยังฟังก็ดีเราจะได้อ่ทดสอบปั ญ, ญญาของเราว่าอ่ปั ญ, ญญาของเราเป็นยังไงเป็นยังเป็นปัญญาแท้หรือยังเป็นปัญญาเทียมอย่า ง, างถ้าเป็นปัญญาแท้ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนเราได้แล้ว บางช่วงก็ไปหลุดฟังแล้วมันก็ม like ีใจมันจะเถียงเข้าไปตรงนั้นนะทุกคนมันก็มีการเถียงมันก็แบบเปลี่ยนเทียมได้เปลี่ยนเทียมได้เจ้ค่ะอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะ comparison ได้ comparison ออเจเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็ลูกก็เลยแบบว่าลูกก็มีความสุขนะเจ้าค่ะเพราะเพราะว่าทุกคนเขาไม่คิดว่าไม่คิดว่าเอ่อชาวพุทธคนพุทธจะพาจะเข้าโบสถ ไปคทอลิก <C ath olic> ไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกว่าเราทําเพราะว่าคุณ<ม>พ่ออายุเก้าสิบสี่แล้วเขานับถือมากมคือถ้าเขาไม่ได้ไปลูกเราไม่รู้ว่าเขาจะไปคือเขาจะตายเมื่อไหร่การพาเขาไปในสิ่งที่เขามีความศรัทธาและเชื่อลูกว่าเป็ น, น<า>เป็นการส่งเ<า>สริม<ด>เขาไปในทางที่เขามีความสุขอะเจ้ะคะาค่ะอ่านี่ถ้าเขาจะให้พาไปไปบาร์ไปผับล้วก็ไม่ไปได้บอกปฏิเสธได้เ <c oughs> บอกศาสนาห้าม ออ่ลูกก็เลยบอกสามีไปว่าศาสนาพุทธเราสามารถเป็นได้ทุกศาสนาแต่ว่าการศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ที่การฝึกฝึกทางใจอ่ะเจ้าค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเป็นศาสนาไหนเราไม่เชื่อเราไม่นรู้เราไม่รบหลูใครนั้นใครอยากจะเชื่ออะไรก็จะเป็นเศษของเขาแต่เจ้าค่ะลูกก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าคลาสแล้วลูกจะ อ่าเล่าให้พระอาจารย์ฟังแล้วลูกเชื่อว่าพระอาจารย์จะภูมิใจว่าว่าลูกปฏิบัติในทางที่ถูกเจ้าคะ่ะลูกก็เลยเป็นการแด้วยตา่างเป็นบุญกิริยาวัตถุประการคือ ก, การรับใช้ผู้ื่นช่วยเหลือผู้อื่นเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะทําให้ลูกได้ได้เอ่อ มีปัญญาอยู่ในในโลกใบนี้น้อมนำคำสอนของพระอาจารย์มามาพยายามอยู่กับโลกใบนี้ให้ได้ให้ได้ที่สู่แต่เจ้าค่ะปแต่ถุดแต่ถ้าสมมติว่าคุณปู่อย่างคุณทวนอยากอยาให้พาไปมาไปผ่าก็บอกไปไม่ได้เพราะมันม สหรับโดาเราก็ไม่ดีสาหรับคุณปู่ก็ไม่ดีเป็นเด็กชายโอกต้องขปฏิเสธอาน้บูดาห้ามบูดาห้ามกเ้ า, าค่ะเจ้าค่ะขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคสาธุไปที่ลอต้อามณิษฐเป็นไงตอนนี้ลอาหนาวร้อนร้อนพอดีอดี พอดีพอดีค่ะพระอาจารย์กล่าวในมัสการค่ะพระอาจารย์อากาศพอดีพอดีแต่ปีนี้รู้สึกว่ามันมันร้อนชาค่ะพระอาจารย์มีความรู้สึกในเมย่แล้วน่นะเกิดจะเข้าจูนแล้วนะค่ะยังยังเย็นเย็นอยู่เลยค่ะพระอาจารย์มานานต้องไปไปไปชายทะเลได้ครับห่านนี้ใช่ค่ะก็แบบยังน่าจะอุ่นอ่นบ้างอย่างที่ผ่านมาเ e มโมเรียลเดย์มันน่าจะเป็นวันที่แบบ ท้องฟ้าแบบเหมือนปแบบมีแดดแล้วก็แบบบาร์ บ, บีคิวอะไรเงี้ยปีนี้มันดูคลึ้มๆยังไงไม่ทราบค่ะอาจารย์อากาศมันปเปลี่ยนเยอะเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็ลูกก็ค่ะอันนี้จังค่ะอนนจาจารย์ค่ะก็ไม่มีคําถามค่ะอาจารย์มาร่วมและฟังลูกก็ยังเจริญสติค่ะนี่นะสติสาคัญมากนะ ดีมากเลยค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีความรู้สึกว่าเออเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารู้เลยว่ามันสติสําคัญมากๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็ลูกต้องเอามือถือไปห่างๆค่ะพระอาจารย์ตัวโซเชียลนี่ทําให้ลูกแบบแบบมันเป็นตัวมารมากๆค่ะพระอาจารย์ตื่้ายหมดเลยค่ะมันคือมันคือมารตัวตัวจริงเลยค่ะพระอาจารย์ ต้องห่างๆค่ะพระอาจารย์เูกอ๋อค่ะเป็นก<อ>า <คำ S 2> รมาฉันทะความยินดีในโลกเสียงกิเลนใช่ค่ะของยุคนี้เลยค่ะลูกว่าอันนี้เป็นมารตัวร้ายเลยค่ะพระอาจารย์สมัยก่อนไม่มีนะคะพระอาจารย์อืมสมัยนี้พอมีโซเชียลมีมือถือมีอะไรมารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความเจริญที่มาพร้อมกับความเสื่อมแลพระอาจารย์ใช่เสื่อมทางนจิตใจ ขณดทางวัตถุค่ะค่ะพระอาจารย์โอเคไปยังปณสติต่อไปนะค่ะพระอาจารย์ค่ะขอพระเจ้ารักษาท่านหน่อยนะคะแม่น้องเหมินพระอาจารย์ค่ะกราบสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะของหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูก็ไปโรงพยาบาลค่ะก็นัดผ่าตัด เดือนหน้าค่ะพระอาจารย์ก็เป็นผ่าตัดครั้งที่สิบแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ผ่าตัดทุกระบบกับลูกหลายระบบเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็สําหรับหนูก็เหมือนกับว่าเป็นบททดสอบมาค่ะพระอาจารย์ในการผ่าตัดเหมือนกับว่าพอดีหนูก็เก็บเวลาหนูไปทำงานอย่างเงี้ยหนูก็จะอ่นั่งสมาธิใน รถเมย์ใช่ไหมเจ้าคะพอถึงเวลาจะผ่าตัดรอบนี้หนูก็จะเอาสิ่งที่หนูได้จากการปฏิบัติเนี่แหละค่ะมาในใช้ในการผ่าตัดเนี่แหละค่ะพระอาจารย์อก็คุมใจไม่ให้ไม่ให้ตื่นเต้นตกใจไม่ให้หวาดกลัวให้ใจเย็นเฉยเจ้าค่ะก็ก็หนูหนูก็แบบว่าถือว่าเป็นบททดสอบแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็คือแบบถือว่าลุยหนูว่า ก็ไม่ได้กลัวนะคะพระอาจารย์แต่ก็ดีค่ะสอบเพราะว่าช่วงที่หนูผ่าสมองค่ะพระอาจารย์มันมีช่วงตอนที่ใส่ท่อช่วยหายใจนี่แหละค่ะที่ว่าหนูว่าหนูยังปฏิบัติได้ยังน้อยไปอย่างเนี้ยค่ะพอพอหนูมาฟังธรรมพระอาจารย์แล้วลองมาปฏิบัติถี่ๆดูมันพอมานั่งสมาธิในรถเมล์หนูก็จะเอาสิ่งที่หนู ปฏิบัติเนี่ยค่ะหนูมั่นใจหนูจะลองมาดูตอนผ่าตัดรอบนี้ค่ะพระอาจารย์คือมันมีช่วงหนึ่งที่หนูนอนแล้วมันตาไม่หลับนะคะเพราะว่ามันนอนอยู่บนเตียงตลอดนี้ค่ะคือหนูมีความคิดว่าเวลานอนแล้วหลับมันจะรู้สึกว่าจะไม่ปวดกับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ก็จะลองดูแบบปฏิบัติขณะที่แบบมีปัญหาเนี่ยแหละเจ้าค่ะพระอาจารย์ คือร่างกามันจะเป็นยังไงก็เราก็ห้ามมันไม่ได้แล้วไมต้องไปอย่าไปทุกข์กับมันอยู่กับมันหักอยู่กับมันไปป่วยก็ได้ไม่ป่วยก็ได้เมราะมันเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์คือหนูหนูก็เลยมองเห็นว่าสมมติว่าหนูจะไปให้มันยิ้มมันก็ไม่ยิ้มก็ปล่อยเลยค่ะเพราะว่ายังไงก็มันไม่ได้อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ มันไม่เอตัวเราของเราควบคุมมันทำไม่ได้เหมือนเหมือนประมาณว่าหนูทิ้งร่างกายไปเลยพระอาจารย์คือมันไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ที่ใจกวราค่ะมันเหมือนกบคนหนึ่งหนึ่งไปคนรับใช้นําพาคนรับใช้เราไปรักษาตัวใช่เลยค่ะพระอาจารย์เหมือนรถยนต์ไปด้วยขอบรถยนอย่างเาาาาาางีเ้ยค่ะพระเอาอู่เอาอู่ซ้ำพระอาจารย์หนูก็เลยบอกก็เลย ไม่ค่อยอยากจะมายุ่งกับร่างกายไปอยู่ที่ใจมากกว่ายงมีความสุ ข, ขกว่าค่อาจารใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคก็ขอให้เขาได้ปลอดภัยนะรั<ส>าธุเจ็ า, ายใจค<า>่ะที่คุณโอพีเคอันนี้ยังอยู่ที่ภูเก็ตใช่ป่าแล้วกลับไปไหนนะ น้ำตาลน้ำมันส ก, กัดน้ำผาจา์เจ้าค่ะยังอยู่ภูกเก็ตเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่แถวไหน อ, อยู่ภูกเก็ตเหมนเดิมเจ้าค่ะอยู่ในเมืองเจ้าค่ะ<ช>อำเภอเมืองเจ้าค่ะเจ้ค่ะเมื่อ ก, กี้คุณนิสาพูดถึงเรื่องโทรศัพท์ไว้เจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิบว่าอ่าที8เนี่ยถ้าเข้าไปอ่านธรรมะแล้วเข้าไปกดไลค์กดคอมเมนต์นี่จะเป็นการไม่สํารวมไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้ดูถ้าเป็นธรรมะก็ได้ กดได้ก็ได้เพื่อให้กำลังใจคนที่เขาโพสก็ได้จ้าค่ะจะกาเปียนถามท่านอาจารย์เรื่องธรรมารมในอายตนะเจ้าขาอาจารย์ก็สิ่งที่อยู่ในจิตอย่างไรธรรมารมอารมณ์ต่างๆภาในจิตนี่เป็นธรรมารมย์ที่ไม่ได้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เกิดจาก สัญญาสังขารปรุงแต่งมาเป็นธรรมารมณ์ฉันคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาฮคิดถึง เ, เหตุการณ์เครื่องบินตกหรืออะไรอย่เงีคิดแล้วคิดถึงสงครามแล้วอารมณ์ก็เกิดอารมณ์เศร้าขึ้นมามันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปรับรูไ้ไปมันเราไม่ได้เกิดจากการไปรับจากรูปเสียงกลิ่นรสมันเกิดจาก ความคิดตรงแต่งหัวใจเองมจ้ะค่ะอย่างพวกความโกรธความดีใจเสียใจอะไรอย่างนี้ก็อยู่ในในธรรมารมด้วยใช่ไหมจ้ะค่ะอาจารย์มันน่าแต่งเป็นโกรธจากอะไรถ้าโกรธจากรูปมันก็ไม่ใช่เป็นธรรมารมณ์อถ้าเราไปเห็นรูปแล้วเราไปโกรธรูปนี่มันก็ไม่ใช่เป็นธรรมารมา ม, มันเป็นเรื่องของที่เข้ามาทางอายัยวนะต่า ง, างตตาอื ม, อม เอขอบคุณนะคะช่วงนี้ลูกก็ต่อสู้กับความอยากนะเจ้าค่ะาพาาี่อาจารย์พถกลับไปทานก็เหมือนแฟนเขาก็พอรู้ว่ากลับไปทานขนมเพราะว่าซื้อมาใหญ่เลยเจ้าค่ะพายอาจารย์เลยต้องกลับาาวางงดเจ้าค่ะมันเป็นปัญหาของลูกมากเจ้าค่ะเรื่องนี้คนเหลือ จ, จะว่าเรื่องเรื่องเจ้าค่ะพายอาจารย์แต่เรื่องความอยากนี่แบบหนักคิดถึงขนมนขนมันก็เป็นธรมรมะารนี้ แ, แล้วไม่ได้เห็นขนมแต่เพียงแต่คิดมันมันเห ม, ม, มันทนมมํเอาลมใช่ไหมพราจารน์ไปขึ้นว่าควรเนี่ยเจ้าค่ะเวลาเดินจงกรมอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะกว่าจะเอาลงก็คือว่าพอไปก็เลยได้ได้ตรงที่ว่าเป็นทีน่าว่าเออความอยากกินขนมเนี่ยมันก็จะพาให้มาเกิด ใ, ในสอาจาจังเลยไปตรงที่ว่าแล้วพามาเกิดทมันจะเอาอะไรมากาลางทีกับเราว่าเราจะกลับมาเกิดในมาพบพวกพุทธศาสนาอะอย่างนี้พระอาจารย์ต้องต้องเฉียงไปทางนี้เลยเจ้าค่ะเก็อาจจะเกิดมา ต้องมาอาศัยร hmm ่างกายแล้วจะแน่ใจแล้วว่าจะเกิดมาอาศัยอยู่ในร่างกายของคนอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะไปเป็นสัตว์แล้วทําให้เราต้องสร้างกรรมต่อเลยค่ะมันก็เลยทําให้ภาพอาหารภาพอะไรที่อยากกินที่มันขึ้นมามันหางไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ในเช้าเพราะว่าพอพอตาแรกลูกกำลังคิดเรื่องอาหารเก่าอาหารใหม่อย่างนี้เจ้าค่ะพิจารณามันมันก mhm ็ยังกวนอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีว่าซืเอข้าวโพดมาอะย่างนี้เจ้าค่ะแล้วมันก็มาควนเอ้ยต้องเอาเข้าวโพดไปทําอะไรเลย่างเจ้าค่ะ แต่พอไปคิดเรื่องว่ามันจะพาให้เรามาเกิดแล้วแบบมันไม่มีอะไรมาการันตีว่าเราจะไปเกิดอยู่ที่ไหนไปเกิดเป็นอะไรใ้าค่ะถึงจะกลับไแล้วก็เดินจนจบต่อได้อะไรทําให้เราหยุดความอยากได้ก็ใช่ได้ก็เลยกลับมาตั้งสัจจะงดกินขนมเหมือนเดิมเจ้าค่ะอาจารย์ไม่งั้นแฟนเขาก็จะซื้อมาอยู่นั่นเจ้าค่ะอาจารย์เขาจะซื้อขนมซื้อไอติมซื้ออะไรที่ลูกชอบกินอะอย่างนี้เจ้าค่ะเขาจะมาส่งเสริ ก็ไม่รคอยากขึ้นเขาไปเลยนะคะอยากว่าอยากอยู่ห่างๆแล้วว่าพวกรูปเสียงกลิ่รสอะไรพวกนี้จ้าค่ะอื <Okay. S 2> แต่ว่าช่วงนี้ยังไปไม่ได้เจ้าค่ะพอาจารย mm hmm. okay. ์ต้องอยู่ควาอยากไว้ก่อ น, yeah. น, อ น, นแล้วขอบพรนะะคุณเจ้าค่ะจ้าค่ะคุณทวิษาสาธเจ้าค่ะคุณทวิษาอันนี้อยู่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมาาาค่ะพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่บ้านที่สวิส์าาา mm hmm. ค่ะพระอาจารย์ค่ะ อันนี้ก็อันนี้ปิดร้านไปแล้วเนี่ยค่ะพระอาจารย์ปิดเป็นตั้งแต่มักกะลาแล้วค่ะคือสิ้นปีก็จบขายไปค่ะพระตอนนี้ก็ว่างงานตกงานอยู่บ้านก็คืองานงานที่พระอาจารย์มอบหมายงานที่พระพุทธศาสนามอบหมาก็พยายามทําอยู่ค่ะตอนนี้กับมหาสติค่ะพระอาจารย์บางครั้งพอว่างพอ พอพอไม่ได้ทํางานพอว่างปั๊บบางทีมันก็เปอะค่ะพระอาจารย์ค่ะมันก็แบบมีเวลาว่างเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยงงุนงี้ทีนี้แล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาหาสติค่ะพระอาจารย์ยี่ก่อนเราจะตางจะตางตังตงดับความทุกข์ไม่ได้ <c oughs> จริงค่ะพระอาจารย์ดับความทุกข์ไม่ได้สตางที่หามาได้ก็ไม่ได้ใช้ก็ช่วยเหลือคนอื่นไปก็เหมือนที่พระอาจารย์บอกก็ เซนตอนนี้ก็มาช่วยเหลือตัวเองบ้างแล้วก็กลับมาหันมาช่วยเหลือตัวเองค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะอาโยมมีเรื่องอจากจะขออนุญาตพระอาจารย์ค่ะอย่างเมื่อวานที่คุณเคาเดียวขออนุญาตพระอาจารย์เรื่องหนังสือนะคะพระอาจารย์เอเราที่ไม่ได้เป็นคนอยากจะไปเป็จะภาพเหห็นนังสือ ใช่คับพ่อจันโยมเนี่ยค่ะที่เคยพูดไว้แล้วทีนี้คุณคาเดียเขาทาเรียบร้อยแล้วโยมก็เลยตอนนี้โยมก็ว่างแล้วคือพร้อมที่จะดําเนินการแล้วนะคะพระอาจารย์ก็เลยเก็บไปเจอคุณคาเดียค่ะที่ทิ้วัดทิ้งก็เลยได้คุยได้คุยกับเขาเขาก็เลยบอกว่าอืมเขาก็ขออนุ ญ, ญาตทิ้งโยมก็เลยอยากจะขออนุ ญ, ญาตเพิ่มเติมว่าอ่อาจากพีดีเอฟที่ที่ที่คุณคาเดียลงไม่มีภาพของพ่อาจารย์เลย ยงก็เลยอยากจะขออนุญาตภาพผ้ า, าจาันใส่ไปในหนังสือคําถามคําตอบของพระ้ า, าจาันที่คุณเคาเดียปแปลเป็นภาษาเยอรมันได้ไหมคะค่ะได้นามสบายเลยใช่เลยค่ะใส่เข้าไปยงจะไปหาดูในในอินเทอร์เน็ตที่ที่ลงไว้อะค่ะอืมค่ะในเฟซบุ๊กก็มีเยอะแยะไปหมดอ่าค่ะ<ๆ>ผ้ า, าจาันหรือบางครั้งก็ดูว่ามันจะติก็เลยว่าจะใส่รูปด้วยเพราะก็คุยกับคุณคาเดียว่าเพะข้างในมันไม่มีภาพอะไรเลยค่ะก็คือ หน้าปกก็จะเป็นเหมือนพระที่เป็นเซนเซนแบบออกสไตล์นิกายเซนยงก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกันค่ะสามารถเปลี่ยนส่วนใหญ่่อหลังว่ามันก็ใช้มันก็ชอบใส่ภาพไปเท่านั้นปัญญาด่านเนื้อหาสาระสาระค่ะแต่บางทีแบบหน้าปกกน้ปกหลังแน่แต่ภายในตัวหนังสือภายในเนี่ยังไม่มีภาพค่ะไม่มีภาพยงก็เรียกว่าในคือแบบเออแล้วเขาก็ไม่ได้ คือไม่ได้เขียนว่าคํามาจากพระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าต้องต้องเดี๋ยวคุยกันใหม่ว่าพอดีรูปเล่มมันมันมันมันยังไม่มันยังไม่เหมาะสมมาค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวคุยกับเรื่องทางทางพิมพ์คนสํานักพิมพ์อีกครั้งหนึงนะะ่งค่ะอาจารย์เกลียแต่ว่าจะกราบขออนุ ญ, ญาตว่าขอรูปพระอาจารย์ลงในหนังสือด้วยอ่ะได้เชิญตามสบายแล้วพิมที่นหนพิมพ์ที่สวีทหรพิมพ์ที่ที่บางไทย พิมพที่เมืองไทยค่ะพระอาจารย์พอพิมพเสร็จก็น่าจะส่งมาที่นี่แล้วก็เอาไว้เอาไวท้ที่ที่วัดด้วยค่ะที่วัดพระอาจารย์ค่ะเผื่อแบบมีชาวต่างชาติ <Yeah. S 2> ที่เปอร์ลามันค่ะยมคือยมมองอย่างเงี้ยค่ะว่าในในอินเทอร์เน็ตก็สะดวกแต่บางครั้งอ่าหนังสือก็สะดวกคือมันไม่ต้องใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาไปได้เผื่อบางคนเขาแบบไป น, นูนป่นไปนี่ในป่านในเขาก็สามารถหยิบไปได้อะค่ะ mm hmm. ถ้าคนที่สนใจยมก็เลยคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์ตรงนี้ดีดีหนังสือมันดีกว่าเพราะในอินเทอร์เน็ตบางทีจอมันเล็กคนบางทีคนก็ไม่ค่อยจะอ่านเท่าไหร่ค่ะค่ะยมก็เลยคิดว่าเออถ้าถ้าได้สามารถทำได้ยมก็ก็ว่าน่าจะเป็นแบบนี้ก็ขนาดไซส์ก็น่าจะเป็นพอดีคุยกับคุณหลาติดต่อไว้ก็น่าจะประมาณเป็นเอห้าเป็น p o c เ e ตบุ๊ k นะคะเรื่อไม่ใหญ่ค่ะขออนุาตะ ธรรมทานการให้ธรรมชนะการให้ทั้งบ่วงนะค่ะสาธุครับพระอาจารย์โยมก็จะปฏิบัติคืออันนี้ก็การไว้เผื่อเผื่อไปไม่สุดทางยังมีสักอ่าทานไว้ก่อนดีกว่ายังจะไปสวรรค์ก่อนค่ะว่าทานยังไงก็ยังยังมียังมีอะไรรองรับบ้างนะค่ะว่าทานก็เห็นว่าพอยังทําได้ก็ก็จะทำครัพระอาจารย์อ่าอมทนนะค่ะก็ไม่ อามีอีกนิดนึงค่ะพระอาจารย์คือต่อยอดคําถามของคุณสุภัตาเกี่ยวกับไปโบสถ์คริสคือโยอมยอมเคยเข้าไปในโบสถ์คริสแล้วไปนั่งสมาธิอันนี้เราสามารถทําได้ไหมคะคือเหมือนกับเราไปใช้สถานที่ไหนก็ได้ที่สงบค่ะเพราะมันเงียบแล้วกับค่ะคนที่เข้าไปเขาจะรู้เลยว่าเขาจะไม่ส่งเสียงดังถ้าไปที่อื่นมันแบบมันก็ยังแบบมีเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดในโบสถ์ เงียบมากเลยถ้าเราไปนั่งเราไปขอพรจากพระเจ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นศีลละพัสสัตวบาลานค่ะเราไม่ได้ขอพระเราเราไปนั่งเราใช้สถานีของเขาเฉยๆล้วก็เอ๊ะมันสมควรเนาะคือตอนแรกเคยไปอะค่ะไปครั้งสงครั้งท่านก็ไม่ห้ามว่าท่านก็ไม่ห้ามว่าใช้ได้ท่านก็ห้ามว่าก็ทําไม่ได้ค่ะก็เขาาก็ไม่ห้ามนะคะก็เขาก็พเปิดให้คนเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งในเก้าอี้ที่ของเขาอะไร เราก็ต้องการที่สําหรับคนที่บางทีมีความทุกข์แล้วอยากจะไปหาความสงบก็เข้าไปเข้าไปหาความสงบได้ค่ะเขาก็เขาก็ไม่รู้เราว่าเข้าไปนั่งยมก็เลยว่าคือคนที่เข้าไปบางครั้งเขาอาจจะไปสวดอ้อนมาตัวเอ๊ะเราเป็นพูทแต่เราเข้าไปเราต้องการแค่ไปนั่งสมาธิเฉยอย่างเงี้ยค่ะว่าจานใช้สถานที่เราเอ๊ะมันสมควรไหมนออะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะยมก็คิดว่าอย่างงั้นแต่คือยมก็ล้โอเคเพราะบางครั้ง ที่บ้านบางครั้งถ้าเกิดสามีอยู่บางครั้งก็มันก็ถึงจะหนีในห้องมันก็ยังไม่สงบเท่าไหร่บางครั้งยังคิดแต่ว่าพอไปสวนสาธารนณะหรือว่าตรงนี้มันก็ยังมีคนพุกผ่านยังคิดว่าโบดนี่มันเคยไปแล้วมันมันได้นะอะไรเงี้ยก <c oughs> ็ดีก็ไปบ่อยๆก็ได้ทําไปแนละ้วมันทําให้จิตเราสงบได้ก็ใช้ได้ค่ะอาจารย์โอเคค่ะค่ะขอบพรคุณค่ะมีเท่าเรียนถามแค่เนี้ยค่ะอาจารย์่สาธุด้วย <Okay. S 1> คุณหมอนทัทวุฒิเจิญหมอกลับกับนะมสักการพระอาจารย์ครับงไงยังต้องเดินสายไปไปไปไปทำวิทยาทานอยู่กหรออ๋อทำอยู่ครับวันนี้ก็ไปเชียงใหม่หในโรงวัาบาลมาหาราดเพิ่งกลับมาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟิลิปปินส์ต่อครับโอ้ยยังเลยนะครักก็ก็ดีครับ ก็เป็นการให้วิทยาทานไปครับอ่าเดี๋ยววันวันเสาร์เข้าไปไปไปวัดครับน ะ, ะเดี๋ยวมพรุ่งนี้เดินทางเช้าแล้วก็ไปทําเคสกับเขาวันวันอาทิตย์ุกแล้ววันศุกร์ดววเดินทางกลับก็เดี๋ยวกะว่าเช้าถ้าไม่เหนื่อยไม่จะพยายามเข้าไปแต่เช้าเลยแล้วก็ไปหยุดสามวันครับนะาอ่ดีหยุดสามวันไปได้นะมใช่ครับใช่ครับจะกลับจากวันจันทร์ครับอ่าทนี่ครับ ประชันแบตเตอรี่บ้างประชันแบ ต, ต, ตใช่ครับใช่ครับใช่ครับต้องไปเติมพลังนิดนึ่งครับเติมความสงบให้อยู่วังวแบบไม่ไม่คิดอะไรครับตรงนี้ก็ตองเปลนครับนะ ค, ค, ครับช่วงนี้ก็โอเคครับก็เดีย๋ยวพยายามอ่า เอาไปปฏิบัติยำแนวปฏิบัติได้นะพยายามเจริญสติบ่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทำอะไรก็ตามครับผมนะครับเราก็พยายามอยู่บนเครื่องอะไรว่างๆก็จะไม่ได้ต้องทำสไลด์อะไรก็ถุดุทโธไปครับโอเคถุถุทโธเกาะไว้กันนะครับครับครับครับเเดี๋ยวเจอพระอาจารย์วันเสาร์ครับวันเสาร์ได้วันเสาร์ครับไปที่โกเบคุณจุก ยูมโกเบสาธุสการพรอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีสามคำถามเจ้าค่ะามาเลยอคำถามแรกเจ้าค่ะคื อ, อเอมักมีองค์แปดเนี่ยข้อหนึ่งกับข้อ 2. สองสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปใช่ไหมคะต่างกันยังไงคะความอแรกเรืองความเห็นไงเห็นว่าทุกเกิดจากปัญหาความอยากเห็นว่าทุกเกิดจากาการกระทําบาันนี่เป็นความเห็นไง อะไรอย่างนี้ความเข้าใจความเห็นเนส่วนความความเห็นกับความคิดไม่เหมือนกันความคิดต้องปรุงแต่งว่าวันนี้จะทําอะไรดีอถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ไปอย่าไปทําบาสนะอะถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีความอยากนี่อันนี้เป็นความคิดความคิดปรุงแต่งสัมมา คืออันแรกนี้ก็คือเป็นความเห็นเห็นว่าเหมือนกับมองมองอ่านป้ายเนี่ยเห็นว่าป้ายเขบอกว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ปรุงแต่งเป่นแต่เป็นความเห็นอส่วนอันที่สองเป็นแบบคือปรุงแต่งว่าเราจะต้องทําอย่างไรดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเ้าครับช่าะทำอะไรดีไปทําบุญดีไปทําบาปดีอย่างเงี้ยเอาใจแล้วเจค่ะนั่นเามีความเห็นที่ถูกความคิดก็จะเป็นความคิดมางอย่คิดถูก ถ้าเราเห็นว่าการทําบาปเป็นเป็นเป็นเหตุนะทำให้เราทุกข์เราก็จะได้คิดไม่ทําบาปอย่าใช่ไมเ้าค่ะถ้าเรา mm hmm. เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเราก็ต้องพยายามละความอยากอย่ากให้มีความอยาก mm hmm. ทำอะไรก็อย่าไปอยากให้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นดังใอยากก็จะทุกข์กันมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ทำไปได้อย่างไงก็ได้ยินดีตามมีตามเกิดอย่างนี้ อันนี้เป็นความคิดเข้าใจเข้าใจมากขึ้นแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ออืส่วนอีกคําถามหนึ่งนะครับเจ้าค่ะคือ อ, อสติปัฏฐานสี่เจ้าค่ะพิจารณากายในกายมันเป็นยังไงล่ะครับเจ้าค่ะอันนี้ก็พิจารณากายนี่แหละเหมืนอนกภาษาแปลมามันเหมือนกับเราแปลภาษากิตงูงปลาเนี่ยไปบอกฝลั่งว่า I speak English snake snake fish i s h อย่างเงี้ยฝรังฟังมันก็ไม่รู้เรื่ององเงี้ย นั้นเราพ่แปลบาลีมากายในกายมันก็ความหมายมันก็คือการพิจารณาร่างกายเนี่แหละแต่ภาษาของเขาอาจจะพูดว่าเป็นต้องพิจารณากายในกายคือพิจารณากายังไปพิจารณาที่ไหนทำไมพิจารณาที่ร่างกายใช่ไหมค่ะไม่ใช่พิจารณากายแล้วไปไปพิจารณาที่เวทนาไม่ใช่เห็นใช่ไหมอ๋อพิจารณากายก็ต้องพิจารณาในกายหรือยังไปพิจารณาที่ไหนนะพิจารณาเวทนาเน้อก็มองมาตั้งนั้น พิจารณาเวทนาต้องพิจารณาที่เวทนานจะไปพิจารณาที่ไหนนะมไ ม, ะไม่ไม่ไม่ไมเป็ น, นาน ต, งงตั้งนานต้อง่านข้อความตอบเปทั้งทั้งหมดมันจะได้เข้าใจพิจารณากายในกายให้กระทํารทงไงบ้างเช่นเห็นว่ า, าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็พิจารณากายในกายนะคะพิจ า, ารณร่างกายมีอาการ32นี้ก็พิจารณากายในกาย คือถ้าพูดภาษาไทยตามภาษาของเราแล้วก็วพูดตัดคําว่าในกลายไปพิจารณากายเพลงครับอย่างนี้ว่าโอเคเข้าใจแนละ้วจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพรอาจารย์ส่วนคําถามสุดท้ายอืมหนูมันคําถามง้ๆแต่หนูสงสัยมานานแล้วเจ้าค่ะถ้าสมมติมันเป็นคําถามที่ไม่ดีหนูกราบขอค่ะมาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะคือหนูสงสัยว่าทําไมคะที่บวชอาจ้าค่ะ ถึงต้องมีชื่อสร้อยตลอดนะเจ้าคะแล้วชื่อส้อยเนี่ยคือหนูก็สงสัยแล้วหนูไปกูเกิลนะคะเขาบอกว่าเกิดจากที่ว่าพระพอบวชแล้วก็เหมือนได้เกิดชีวิตใหม่ก็มีชื่อใหม่แล้วหนูอยากรู้ว่าอืเขามีหลักการยังไงในการตั้งชื่อสร้อยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะนนหรือว่ามองหน้าแล้วก็ตั้งชื่อเลยแล้วแต่คนตั้งเขาจะมีมีวิธีไหนก็สุดแท้แต่เขา แต่ถ้าที่เราที่ของเราที่เขาตั้งเนี่ยเขาที่เขาตั้งเราชื่อว่าพิชาโตเพราะว่าหนึ่งเราชื่อสุชาติใช่ไหมเขาเลยเอาชื่อชื่อเราเข้ามาใส่ชื่อชาติชาโตมันเหามือนคำว่าชาติแล้วเราไปเกิดวันอาทิตย์เข้ามาที่นี้เขาบันต้องมักจะเริ่มด้วยคําว่าอภิอภิคือความยิ่งใหญ่มันเกิดม า, าทิตย์นี้ถือว่ายิ่งใหญ่ก็เลยไม่ได้เขาเลยตั้งเป็นอภิชาโตสมเด็จสมเด็จพระสังฆราชก็ตั้งชื่อให้เราเป็นอภิชาโต ะคแต่จะมีวิธีอ well> ื่นก็ได้ทนะแต่ไม่ทราบแต่สําหรับของของท่านเราสังเกตดูเพราะบอกคนเกิดมาเพราะก็เห็นว่าพินีเก็จะรู้ว่าคนนี้เกิดวันอาทิตย์แล้วชื่อชาโตชาโตก็มันจากชื่อชื่อเดือนของเราเนี่ยแล้วชื่อสุชาติก็เลยมาใส่มันาใส่ชื่อใหม่ไปด้วยกลายเป็นอาพิชาตโตไปถ้าไม่ตั้งสุชาติ อุปชาตัวสูงนี่แปลว่าดีอชาติที่ดีะเราไม่ได้ถ้านมาดูที่วันเกิดของเราเกิดวันไหนแล้วก็อันนั้นเจ้าค่ะได้ความรู้เพิ่มเลยเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์่ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดต้องไปถามอุปชาคนที่เขาบวชพระเขาจะรู้ดีกว่าเราเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแต่ความรู้คร่าวๆที่เราได้ได้เข้าใจมาเท่านี้แล้วอย่างนี้ ชื่อซ้อยนี่มีซ้ํากันบ้างไหมเจ้าคะมีมีคนที่ชื่อสุชาตินะพิชาโตก็มีหลายคนเน้นเวลาที่เขาบอกชื่อสุชาตินะพิชาโตต้องถามว่าอยู่วัดไหนด้วยอบางทีถ้าอยู่วัดเดียวก็ต้องถามว่าองค์ไหนด้วยองค์แก่รืองค์หนุ่มอย่างของเรานี่มื่ก่อนมีพา่า้รุ่นใช้ชื่อสุชาติเหมือนกันแต่แต่ฉายาไม่เหมือนกันบางทีเขาก็า ไปโรงพยาบาลบางทีเขาก็เอาชื่อของค น, คนหนึ่งมาเป็นเป็นเราก็มีต้องบอกพยาบาลนั้ไม่ใช่อันนี้เรไม่ใช่เราไม่ไี้เราไปดูที่ ช, ชื่อพระสุชาติเนี่ยนะเขาไม่ได้ดูที่ฉา ย, ยาแล้วค่ะได้ความรู้เพิ่มเนี่ยมันเป็นไม่ได้บางแห่งก็อาจจะมีชื่อซ้ํากันได้ต้อ ง, ต, องต้องถามว่าองค์ไหนนะ เจ้าค่ะวันไหนถ้าวันไหนยังมีถ้าวันเดียวกันยังซ้ําอยู่ก็ต้องามว่าองค์ไหนแต่หรือหนุ่มอะไรก็ว่าไปกี่วันาอย่นี้ขอบพระคุณแพทย์อาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ได้คําตอบหลายๆข้อดีแต่ก็ไม่บ่อยที่ไม่บ่อยที่อยู่วันเดียวกันชื่นชื่นเดียวกันช้ายาเดียวกันนี่คงจะไม่บ่อยแต่วันเดียวกันอาจจะชื่อชื่อได้เหมือนกันก็ได้ ชื่อสุชาติเหมือนกันดี <Okay. S 1> แต่ฉา ย, ยาไม่เหมือนกัน okay. ขอบคุณสําหรับคําตอบค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะาสาธุ <Okay. S 1> ขอบคุ ณ, อ, ณน อ, นาอาจอุดรธานีวัดป่าบัานต่างก็บอกเกี่ยวกับน้ำพรการเหรอคะอานะจารย์ไม่ได้ไปเลยค่ะไปแต่วัดป่าบันติกเจ้าค่ะสะดีะ๋ยววันะ้เจค่ะ ใล่จ้าค่ะไม่มีคําถามท่ค่ะโอเครู้จักรู้จักแล้วอาจารย์องเสินใช่ไหมรู้จักก็ค่ะเหมนสองสามอาทิตยก่อนท่านมานะคะอือมาใจะย็นเลอันนี้หนูไม่ทราบค่ะท่านหนูไปสบายแล้วหนูก็เจอท่านจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่อยู่ละค่ะไม่เคยมาอยู่ที่วัดยาอยู่พักหนึ่งก่อนอืมจ่ะ หลวงพ่อสัญชาตรู้จักหลวงปู่เหรียญไหมคะที่อยู่ที่อยู่วัดป่าบัญจิกอะคะไม่รู้จักอ๋อ<า>ค่ะค่ะแต่วไม่มีคาถามาคะค่ะอ่ะา่าุอบคค่ะอ่าใบที่นาัที่ว่าคุณมริกาวันนี้เพื่อนไม่อยู่แล้วเพื่อนไม่เข้ามานะคุณแล้า ก, บบรการเจ้าค่ะว่าจะนอกจากฝนตกแล้วพะาาย์พราะว่าช่วงช่วงค่ำและช่วงหัวค่ำอะ ฝนมันตกหนักค่ะพระอาจารย์ น, น, น่าจะาเข้าสมาธิฟังทรร น, นะครับพระอาจารย์แล้วก็วันที่ห้านี้เราก็จะไปปีวิเวกันนะพระอาจารปีวิเวกเขาเหรอที่ไหนอ่ะนนะก็บนเขาที่โอ น, นั้นแหละครับพระอาจารย์อโอเคดีสติใจน ะ, ะไป<ม>ด้วยกันสองคนนะเจ้าค่ะอาจารย์ก็ไปคราว น, นี้นั้นไปหลายวันค่ับพะอาจารย์ก็ กลับไปวันที่ห้าก็กลับมาะมาณวันที่สิบแปดนะฮะก็มาถึงบ้านวันที่สิบแปดก็ลูกก็เจริญสติอยู่นะครับอาจารย์รุ่มๆ ด, ดอนๆบ้างก็ก็ยังทำอยู่นะครับอาจารย์ค่ะลูกไม่มีคําถามนะคะวันนี้โอเคอนนไ<ห>ม่ยอมเจริญสติไปเรื่อยนะเจ้าขาอาจารย์สาธุเจ้าค่ะไอที่รักสำเบลคุณปุย้ย ยังสินเจนอยู่แลปุ้ยไม่ยอมพัฒ น, นาเป็นสินแต่นั่นเองฝันยังปินไม่ได้นะตามธรการเจ้าค่าพาาะระอาจารย์ยยอย่าอะไรได้ยินได้ยินยอมปุ้ยเปล่าพระอาจารย์ได้ยินได้ยินจ้ะอ๋อ<ๆ>ตะกี้มัเขาเขียนว่าไม่เรา โ ย, ม, ยมถือเหมือนเดิมพระอาจารย์แต่สัปดาห์นี้เข้มข้นขึ้นคือนั่งภาวนามากขึ้นวันนี้ลืมสวดมนต์ตอนเช้าเพราะมัวแต่ภาวนาพระอาจารย์นั่งสมาธิอ่ะอแต่โยมก็ตั้งแต่วันที่ฟังพระอาจารย์มาโยมก็มีกำลังใจแล้วก็มีแรงคือการป่วยก็ดีขึ้น มันแบบเหมือนกับมีอะไรมาติดคอติคอแต่ว่าโยมก็พยายามใช้สมาธิช่วยอะค่ะแล้วก็ดีขึ้นค่ะปัญหายโยมก็ไม่มีมีแต่ว่ามันจะเจ็บป่วยป่วยมันเดี๋ยวมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันก็เป็นไข้หวัดอีกแล้วมันก็เป็นโรคภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เที่ยงเลยอันนี้จังเปลี่ยนไปเปลียนได้ไค่ะก็อยู่กับมันไปรักษาได้ก็รักษาไป โยมก็ไม่มีอะไรมีแต่ว่าเป็นกังวลเรื่องลูกแต่เด็กเขาก็โตแล้วแล้วแบบเขาก็แบบเหมือนกับว่าเป็นเด็กที่โตจากที่นี่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็แบบคือคือเขาโตกับฝรั่งน่ะพระอาจารย์คือเขาจะมีนิสัยอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนคนไทยอะ่อะฮะเราเราก็ต้องค่อยๆสอนเขาไปเขาเป็นเด็กใจร้อน อ, ะอ่ะก็ธรรมดาอยู่อยู่เมืองเขาต้องเป็นไปตามเมืองเขาความรู้สึกนึกคิดก็เป็นไปตาม คนทไปชโยมก็เลยสวดมนต์สวดมนต์ช่วยไม่รู้จะทำยังไง <ừ. S 2> เพราะว่าถ้าถ้าเขาร้อนเราจะมาร้อนมันไม่ดีเราก็เลยต้องทําใจเราให้เย็นเยน็นเขาเป็นฝรั่งไว้แล้วไม่ได้เป็นคนไทยแล้วเาก็ไม่ได้ถูกลอมล้อมด้วยสังคมไทยมันทุกสังคมฝรั่งลอมล้อมมันก็เป็นอย่างนี้ใช่มันไม่มันไม่เหมือนนะคะ <ừ. S 2> มันไม่เหมือนสังคมไทยบ้านเรา สังคมไทยบ้านเรานี้คือเราจะสอนเด็กให้แบบว่ารู้จักเผู้ใหญ่แล้วก็รัววความกตัญญูกตวเวทีใช่ใช่มันไม่เหมือนกันอะ่ะคือ mm hmm. คือเขาเป็นเด็กที่เหมือนกับอินดีพีเดนต์อย่างเงี้ยแล้ว mm hmm. เราก็กังวลเรากลัวว่าถามว่าเขาเป็นเด็กดีไหมเขาก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ทีนี้เขาเป็นคนใจร้อนและความใจร้อนของเขานเนี้ยเนี่ยเราก็กลัวเนี๋ยมันจะทําอะไรเสียเราก็เลยต้องนั่งสมาธิช่วย มนช่วยค่ะโยมก็บาจทีไม่ได้ช่วยเขาเราช่วยเราช่วยทำให้ใจเราเย็นลงจริงจริงค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีใครพระอาจารย์อ <Okay. S 2> โยมก็ไม่รู้โยมโยมโดนผีหลอกหรืออะไรก็ไม่รู้โยมก็ไม่มีอะไรนะโยมก็นั่งสมาธิฟังหลวงตาบัวแล้ว อยู่ๆโยมคือมันเป็นขึ้นเสียงอะ่ะขึ้นเสียงที่เหมือนกับเวลาโยมฟังพระอาจารย์อ่ะฟังฟฟัังงฟั ง, ฟ, ง, ฟ, งฟังไปเนะ่ะเวลาทุกตอนที่พระอาจารย์มาเสาร์อาทิตย์นะ่ยหรือวันพระเนี่ยโยมจะฟังฟฟัังงฟั ง, ฟงแล้วพอมาจุดหนึ่งมันจะมีเสียงที่แบบวู๊ดไปอย่างเงี้ยแล้วอมันทําให้โยมลงประจุดสมาธิได้เอ่อแล้วเหมือนกับโยมฟังหลวงตามหาวัวเนี่ยคือโยมไม่รู้สึกเลยว่า มันในในในยูทูอ่ะมันเขียนว่าหนึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งพระอาจารย์เชื่อไหมโยมไม่เคยนั่งเกินหนึ่งชั่วโมงเลยะบะแม็กซิมัมเลยคือหนึ่งชั่วโมงเวลาโยมฟังกับพระอาจารย์เนี่ยหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าไม่เคยเกินเนี้ยเลยแต่ทีนี้มันโยมนั่งยังไงก็ไม่รู้เกือบจะสองชั่วโมงอะ่ะโดยที่โยมไม่ปวดขาและโยมได้ยินเสียงท่านอะ่ะอยู่ในหูมาบอกตัวเลขโยม <c oughs> อาจารย์ยมขอเข้ามาโยมขอเข้ามาจริงๆไม่ยมไม่ได้ว่าอย่างง้นอย่างนี้นะแต่ว่ามันเหมือนเราก็ไม่ได้หลงอะ่ะเพราะอาจารย์สอนนะท่านอาจารย์สอนยมว่าจิตยมคงจะปุงแต่งอะ่ะไปเองอะ่ะเอให้รู้ใช้ใชรู้รู้มันเป็นมันเกิดแล้วมันดับไปคนระับเวลาไม่มจำไปไม่ต้องไปแต่โยมก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าโยมกลัวผีมันมาหลอกโยม ให้มาบ อ, มบอกอย่างนู้นบอกอย่างนี้ให้โยมเสียกตังไงโยมก็เลยเฉยเฉยก็รอพิสูจน์ได้เนี่ยก็รอในวันที่หวยออกมันตรงกันหรือเปล่านั่นเลยไม่ต้องซื้อเลยก็รู้เฉยเถ้าว่าแม่นหรนือเปล่าถ้าแม่นเผิดอคราวหน้ามันมาอีกจะได้ลองสักสิบบาทยี่สิ บ, บาทดูก็ไ <c oughs> อ้โยมเคยถูกนั่งนั่งว่านั่งวังพระอาจารย์ฟังไปฟังมาโยมถูกไหมโอเคมาค่ะ นีนไม่ไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ของเรานะที่เราเทศน์นี่ไม่ได้เทศเพื่อให้บอกบอกบอกว<ม>่ต้องการให้ธรรมะนะใช่จริงค่ะเราโยมโยมก็แบบว่าคือมันสนุกสนานไปอะ่ะมันเราไม่ได้เป็นนักเล่นอะ่ะเราเราเราคุยคุยกันสนุกสนุกนก็ต้องกันอย่าไปอย่าไปเอาจี่มาทำเงิ และอีกอย่างหนึ่งคือโยมไม่ได้นักเล่นและโยมก็ไม่ใช่แบบโยมก็ไม่ได้เล่นจนขายบ้านขายช่องอะไรย่งไม่ใช่โยมรู้มีส ต, ติรู้อะ่ะอ <c oughs> แต่ <Okay. S 2> ช่วงเนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าโยมคือมันจะลืมกินข้าวมันจะลืมสวดมนต์อย่างวันเนี้ยโยมนั่งสมาธิอะ่ะโยมมาเข้าสายเพราะโยมมวนนั่งสมาธิโยมเพลินและแบบ <c oughs> มันไม่รู้จะขิวอะ่ะพระอาจารย์ก็มีความสุขไง ก็เลยไม่เห็ก็เลยมันเฉยๆมันแบบมันไม่โกรธมันไม่อะไรนะไอจะยังไงก็ช่างเราว่าโกรธเฉาเฉยๆเลยนะอือนั่นแหละคือผลจากการปฏิบัติเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เห็นนรกเห็นสวรรค์นะพระอาจารย์ไม่ไม่ต้องเห็นมันมันรู้เองเดี๋ยวต่อไปปฏิบัติไปเรื่อยๆพอใจทุกข์มันก็รู้ว่านี่คือนรก พอใจสุขก็มันก็จะรู้วนนี่คือสวรรค์มันมีแค่นั้นน่ะนรกสวรรค์มันก็คือความสุขใจทุกใจแค่นั้นเองแต่โยมเห็นเพื่อนอ่ะมีเมื่อเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเขาไปปฏิบัติธรรมเออแค่เจ็ดวันเขากลับมาเขาบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นนะฉันเห็นน่ะฉันเห็นนรกนะฉันเห็นน่ะฉันเห็นกรรมของฉันนะว่าฉันไปทําอะไรมาแล้วเอออะไรวะเรานั่งมาตั้งหลายปียัไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าเราจิตมันไม่นิ่งหรือไง กเรื่องของเขาเขเห็นก็เรื่องเขาเห็นก็ปล่อยเขเห็นไปเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ไม่ไม่สําคัญหรอกนะแต่เห็นให้เห็นกิเลสดีกว่าเห็นกิเลสแล้วดับกิเลสได้ดีกว่านะจริงค่ะจริงเพราะว่ามันเรารู้สึกเรานิ่งขึ้นเราใจเย็นขึ้นแล้วมันทําอะไรดูมันช้าลงเพราะเมื่อก่อนเราเป็นคนทําอะไรเร็วเร็วเ็วเร็เร็เ็วเ็วอย่างเนี้ย และเร็วแล้วมันเสียพระอาจารย์และเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่ามันเออมันรู้สึกสบายจิตสบายใจแล้วแบบเราไม่อยากคือโยมไม่ใช่คนขี้เกียจนะพระอาจารย์โยมไม่อยากไปทํางานแล้วโยมจะเดินทางธรรมแลโยมบอกกับผู้พิทเจ้าแล้วนะว่าโยมจะเดินทางธรรมและวเพราะว่าอายุโยมเยอะแล้วและโยมก็มีความสุขทําอย่างเงี้ยไปนําตัวสวยๆถือศีลไปวันๆแล้วก็มีเงินไว้ทําบุญอ่ะ โยมชอบชอบทําบุญมากพระอาจารย์อโอเคชาติโยมจะมาถวายบุญกับพระอาจารย์โยมไม่มีอะไรหรอกค่ะโอเคบุญถวายไม่ได้ต้องถวายสางค์ถึงถวายถวายด้วยบุญนี้ต้องให้ให้เปรดให้คนตายได้อย่างไรคนเป็นให้ให้บุญไม่ได้มันเป็นต้องให้สตางค์ ใช่ค่ะใช่ค่ะขอให้ท้าจันท้าขอของได้อะไรก็ได้โอเคอ่าดูไปที่คุณภูใช่ไหมคุณพูเพึ่งมาข้างรกเลยคุณพูอยู่ที่ไหนยังไม่ได้เปิดไหม่เลยเปิดแล้วมาแล้ว ก, ก, การนมัสการครับหลวงปู่หลวงปู่ได้ยินหรื อ, อยังครับได้ยินนะอ๋ออยู่อยู่ที่อุดรครับหลวงปู่ครั บ, รบอือ่าเข้าเข้ามาเป็นบางครั้งครับหลวงปู่ครับวัอ ย, อยากจะอ่าขอเอ่าเรียนถามหลวงปู่หน่อยครับถ้าสมมติว่าอยากได้มรรคผลนิพพานเนี่ยระหว่างการบวชกับการไม่บวชเนี่ยอะไรมันจะมันจัดมัน มันมันจะถึงดีมันมันจะดีกว่ากันครับหลวงปู่เพราะว่าเคยอ่านประวัติของหลวงปู่ตอนที่หลวงปู่ลาออกจากงานแล้วก็มาเช่าห้องแถวอยู่คนเดียวคือสิ้นแปดอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำแบบนั้นกับการไปบวชอะอะไรจะเข้าใกล้ความจริงมากกว่ากันครับหลวงปู่ครับ อ, อ๋อมันได้ทั้งสองทางอย่ที่ว่าเราเราเราสะดวกสบายแล้วก็ไปทางนึ้ได้ความสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่าบวชไม่บวช ช่วงนั้นเราไม่เซ็ตเรายังไม่พร้อมที่จะบวชเราก็เลยปฏิบัติที่บ้านไปก่อนอพอพอเราพร้อมที่จะจะบวชเราก็ไปบวชนะครับขพอสําคัญอยที่การปฏิบัติแล้วก็ข้อสาคัญว่าไปบวชที่ไหนถ้าไปบวชที่วัดในกูบาลยาดีๆวัดสงบอันนี้นก็ยิ่งดีอ่ะแต่ถ้าไปบวชแล้วเป็นวัดที่มีแต่งานก่อสร้างมีแต่งานสมโพธิมีแต่งาน เองก็จะไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะไม่ดีครับมันก็ต้องเรืองวัดด้วยเวลาบวชเรื่องวัดที่มีสถานที่สงบมีครูบาอาจารย์เก่งๆสอนวิธีปฏิบัติตทำอย่างนั้นอ่ะจะได้ประโยชน์มากคร อ, อีกหนึ่งคําถามครับหลวงปู่ครับ<ม>อ่าถ้าสุว่าไปบวชแล้วเนี่ยถ้าสุว่าแบบมีเงินอ่ามีเงินหรือว่ามีท ร, รัพสมบัติอยู่จําเป็นต้อง สระสิ่งนั้นทิ้งเลยไหมครับหลวงปู่ครับถึงจะแบบไม่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาในช่วงที่อยู่ในเพศบรรพชีต์ครับหลวงปู่ครับที่งได้เลยก็ดีจะได้ไม่ต้องกังาอวนก็มัเพราะว่าถ้ายังมีกันอยู่เดี๋ยวมันจะเป็นตัวกิเลสมันจะหลอกให้เรากลับไปหาเันอยู่เรื่อยนึงยังถ้าตัดไม่ได้ตัดไปเลยเราโชคดีตอนที่เราบวชเราไม่มีกันเราก็เลยไม่มีอะไรกันจะต้องสนะ เงินหมดพอดีก็เลยไม่ต้อก็ไม่ต้องกังวลกับทรัพย์สมบัติที่มีที่เคยมีอยู่เราะมันไม่มีแต่คนมียังเก็บไว้อยู่เดี๋ยวมันก็ต้องมีมีมีความกังวลเรื่องไปทดสอบดูว่ายังอยู่ครบหรือเปล่าอะไรทํานองนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคได้ก็ถูกอ่าขอเรียนถามอีกนิดนึงครับคุณปู่ครับการ จเจริญสติคือตามปกติถ้าสุวะแบบ <c oughs> อตอนกลางคืนก็จะแบบนั่งสมาธิเป็นแพทเทิร์นหลังสวดมนอะไรอย่เงี้ยอยู่แล้วครับแต่ว่าที่จเจริญสติระหว่างวันนะคะรับหลวงปู่คื อ, <c oughs> อคือถ้าสุวะใจมันนิ่งมันไม่มีอารมณ์อะไรก็จะ ย, ยัดคำบริกรรมใส่ให้มันแต่ว่าถ้าสุวะแบบมันมีอารมณ์เกิดขึ้นมาเช่นแบบ มีอารมณ์โกรธหรือว่ามีอารมณ์อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือเรามีอารมณ์โกรธมีอารมณ์รักอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถแบบพิจารณาความไม่เที่ยงของอารมณ์ได้ไหมครับว่าเออมันเกิดขึ้นนะคุณตั้งอยู่อ่ะเดี๋ยวสักพักก็ดับไปหรือบางทีผมก็จะแบบหนีอารมณ์โดยการเแปบดบเหมือนเต่าหดในกระดองอะ่ะไปแบบบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ สักพักมันก็หนีไปอันนี้ทําแบบนี้ถูกไมหมครับหลวงปู่ครับวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้ใจมันกลับมาสงบไม่ไม่ไ ม, ไม่ฟุ้งซ่านครับมันก็มีหลายวิธีในเวลาเราโกรธใครแล้วถ้าเราให้อภัยก็ได้มันก็หาให้โกรธได้เหมือนกันไม่ว่าแผ่เมตตานครับในเวลาที่เราเกิดในอารมณ์ออยากจะร่วมเพศแล้เราพิจารณาอสุภะดูอการสาริสสองแล้วดูซากสมที่มันก็ แต่ทําให้ความอย่างร่วมเพลนมันหายไปได้ถ้าไปดู อ, อารมณ์มันนานจะไม่หยุดมันยิ่งดูมันยิ่งเกิดมันยิ่งเกิดมากขึ้นมาก็ได้บางทีอมต้งหรือ<ด>ใช้<า>พุโทโธแข่งกับมันก็ได้ใช่ไหมครับหลวงปู่ได้อย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้ต้องดูต้องดูผลด้วยว่ามันทําให้ใจสงบหรือเปล่าบางทีดู ด, ดูดูอารมณ์อารมณ์มันคิดถึงภาพสวยๆ ง, งามๆยิ่งไปดูมันมันก็ยิ่งเกิดอารมณ์ขึ้นมาใหญ่ใช่ไหมครับ เราต้องเอาภาพวยไม่สวยไม่งามมามาม า, มาลบ ก, กันลบภาพที่สวยสวยง า, งามออกไปจากใจด้วยการเปลี่ยนมาดูภาพที่ไม่สวยงามแทนหรือถ้าไม่ได้อยังยังใช้สุภาพไม่ได้เราใช้พุโทโธดูก็ได้ดูจะสู้มันไหวหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีแรงกำลังพอหรือเปล่ามันก็ต้องดูดูดูจากการปฏิบัติของเรานะว่าไหนมันมันใช้ได้ก็ใช้อันนั้นไป ครับขอบพระคุณหลวงปู growers, ่มากครับโอเคสาธสอืมใครที <abrupt following September> like uh, ่เ <rot> ป็นกลางเมื่อไหร่ฝังนราชการเจ้าค่ะอาจารย์อืมอาทิตย์ที่เราไปงานสดมาเจ้าค่ะที่จังหวัดอุดรแล้วก็ได้มีโอกาสแวะที่วัดป่าบ้านตาเจ้าค่ะอืมไปไปพิพิธภัณฑ์ที่พระอาจารย์แนะนามานะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันอยากอยากไปที่วัดนะคะไปดูว่าพระ ทำไมพระอาจารย์ถึงอยากไปบวชที่นั่นนะคะพอนี้ที่วัดค่ะเราก็รู้สึกถึงความร่มรื่นค่ะวันที่ไปคนน้อยค่ะอื้พนั่งสมาธิจะได้ดีเลยค่ะค่ะแล้วก็เอช่วงที่ไปคือไปเป็นเจ้าภาพงานศพให้พนักงานที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็วันวันเผาเขาเสียงแคร์แคร์นะฮะไฟไหม้ไหมไฟปิดเลยได้ยินไหเจ้าคะอ่าได้ยินนะ ก็เขาเปิดลงศพเจ้าค่ะเราก็เลยได้ได้ดูได้พิจารณาเรื่องของของความตายค่ะก็เห็นศพเห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วทาให้เราให้เราได้รู้ถึงสัจธรรมอะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นกันไปที่ที่ก็มีประโยชน์สับหนูค่ะแล้วก็มันก็เลยทําให้หนูอยากกลับไปที่วัดป่าบ้านตาอีกรอบนะคะกลับไปคราวนี้หนูก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมคือคืออาจจะแบบแวะไปตอนเช้าแล้วกลับตอนเย็นอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ พอดีก็มีที่ให้เราไปปฏิบัติได้ไหในวันค่ะดูลงลื่นค่ะแล้วก็เงียบสงบพอพอเห็นว่าเขาจัดพื้นที่ได้ดีค่ะอย่างเช่นมีธรรมะเจดีด้านด้านข้างค่ะแล้วคนเหมือนคนก็ไปที่ที่พิธภัณฑ์เยอะหนูก็ไม่มั่นใจค่ะว่าแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าพอไปที่วัดพับไปในบริเวณวันดน่คขะคนน้อยแล้วมันหาที่นั่งสมาธิได้ง่ายนี่เข้าไปในวันเลยใช่ไหม ใช่เจ้าค่ะเจอหลวงพ่อสุธรรมอยู่ด้านหน้าวัดแล้วค่ะเหมือนท่านกำลังปลูกต้นไม้อยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปกราบท่านค่ะแล้วก็ก็หลักๆหนูก็ใช้พื้นที่วัดอย่างนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวก็ถึงเวลาหนูก็จะไปหานั่งสมาธิเหมือนเดิมเจ้าค่ะโอเคค่ะคุณเจ้าค่ะคุณหมอคุณหมสุทธัตเทนเป็นยังไงสบายดีเหรอสบายดีเจ้าค่ะอาจารย์ ธรรมสถานต้นพระจารย์เจ้าคันไม่มีคำถามค่ะโ okay. อเคภาวานาต่อไปนะเจ้าค่ะขอบคุณอ่าใบที่คุณจอยคุณจอยใส่บาตประจำภาวานาบ้างหรือยังเดี๋ยวนี้จอยค่ะภาวนาบ้างค่ะเอ่าเงินบาตรภาวนานนะค่ะ<อ>หนูจะทำค่ะเดี๋ยวเพือ่อนหนูไปใส่บาตเหมือนเดิมนะคะ โอเคพรุ่งนี้วันาพามาดีนะใช่ค่ะโอเคต่บ <Okay. S 2> ทุกค่ะไปต่อคุณก๊อฟกเชนกลับนม m i n a t e ครับระะ ก, บก็จากที่พระอาจารย์ให้พิจารณาครับก็ ก, ก็ลองยกอาหารขึ้นมาพิจารณารู้สึกว่าทำภาพอาหารนั้นได้แล้วก็พิจารณาครับ เป็นโดยธาตุแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นปฏิกูลแล้วก็เมื่อทานอาหารนะี่ะก็คิดถึงอาหารที่เคี้ยวแล้วก็อยู่ในท้องพอมันเข้าไปมันก็ไปบํารุงร่างกายเราให้สวยงามแล้วก็กินบางอย่างก็ผ่องใสบางอย่างพอกินมากมันก็เกิดโทษเช่นอ้วนหรือว่าบํารุงกําหนังแล้วก็ เหมือนร่างกายเราก็คือดูไปทั้งหมดว่าเป็นสุภาแล้วสุภาด้วยก็ก็ก็เพิการได้สามวันก็รู้สึกว่าเหมือนธาตุสี่อาหารใดไปก็สัญญาแล้วก็สุภากับอสุภาเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่มันนรื่องคนมันมันแต่เปคนละคนละด้านกันลด้านกันแต่ว่ามนด้านด้านบวกกับด้านลบใช่แล้วใช่ พาใจมันไปติดทางบวกก็ต้องดึงมันออกมาด้วยเอาด้านลบดึงมันออกมามาให้มันไปติดให้มันดูเฉยๆไม่ให้ไปติดทังด้านลบทั้งด้านบวกครับก็อ๋อก็ก็จะเข้าใจแต่ว่ามันทําน้อยไปนิดนึงครับต้องไปทําต่ออืก็ถูกใช่ไหมครับ ก็ต้องให้มันหยุดความอยากกินให้ได้มันก็ได้พระอาแต่ว่าก็ยังอยากกินก็ยังไม่ถูกอ่ะต้องไม่มีความอยากกินกินแบบกินแบบจําเป็นต้องกินได้น่ะไม่ลงน้อยลงกินเพื่อเลี้ยงร่างกายกินแบบือนกินยาเงี้ยเวลากินยาอยากกินไหมไม่อยากกินใช่ไหมถึงเวลาก็กินถึงเวลาก็กินตามหมอสั่งข้าวก็เหมือนกันต้องอย่าประหยัดกินกินตามเวลาถึงเวลาก็กินเลยได้ครับ ถ้าอยากกินอยู่ก็จะต้องพิจารณาปฏิปูนให้มากขึ้นยังไม่เห็นปฏิปูนต้องบอกว่าเนี่ยเวลาของอยู่ในจานเนี่ยเวลามันไปอยู่ในโถเป็นไงตอนเวลาได้ยัได้แต่ว่าอตอนก่อนที่จะชักโคงนี้พิจารณาก่อนเนี่ยเนี่ยของที่เคยอยู่ในจานเนี่นี่มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยดูหน้าดูตามหน่อยเลยทุกครั้งตอบไปเวลาเห็นของในจานเนี่ยนึกถึงเวลาที่มันไปอยู่ใน ในโถว่ามันมันก็อันเดียวกันนี่แหละอาหารใหม่กับอาหารเก่าใช่ไหมนึกไดก้คือตอนแรกนึกไม่ได้พออาจารย์พูดหลายรอบครับก็คือเอามาคิดก็คือมันก็นึกได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่ทํามันก็ถ้าเราไม่นึกมันก็เราก็ต้องไปนึกเยอะๆจนเราเบื่อใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหมครับยิ่งกว่าเราจะไม่อยากกินอ่ะถ้าอยากกินก็ต้องพยายามกินยาแก้เนื้อแล้วก็ วันจน ก, การความอยากกินหายไปแล้วก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปแล้วโยเว้นถ้ามันกลับมาอยากอีกก็ต้องพิจารณาใหม่ครับก็น่าจะเริ่มทําได้แล้วครับเดี๋ยวจะทําต่อครับโอเคครับขอบคุณอาจารหนึ่งขอบคุณมากครับอาจารย์ใช่ต่อคุณท่านพิสิทธิ์เจอริบพิสิทธิ์ การนมัสการพระอาจารย์ครับไม่มีคำถามครับอาจารย์มีปัญญาทั้งก็ไม่น้องมีคำถามนะมีคำ <laughs> ยื <ง S 1> าานรบะอาจารย์ยงไม่ติดกันาานั้นก็จะพอได้ไปไปเรื่อยครับพระอาจารย์ดีโอเคดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้นอยู่ดีดาสาธุคเนเกตบัณฑได้ยินไหมอ่ามาแล้วพระอาจารย์เป็นยังไง <laughs> อันนี้เป็นตรงนี้รอกไปนวดให้อาจารย์หรือเปล่าอันนี้น อ, คคอ๋อไปครับอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วก็ไปครับอาทิตย์ที่แล้วมีแบบเหมือนชิดอาสาที่ช่วยงานนะครับเขาก็ปวดปวดตาปวดสะบักอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบให้ช่วยนวดให้เขาด้วยอย่างเ้ยก็เลยช่วยไปสี่คนได้ครับกว่าจะกลัก็สามทุ่กว่าวก็เลยไม่ได้เข้าฟูมเลยครับอาจารย์แต่วันนี้เขาก็หากันแล้วนะครับเขาก็ไม่ได้มาแบบ มาขอให้ด้วยครับสัม้าจันอันนี้ก็เพิ่งสอบไอ้นี่ครับไปปฏิไปโรงเรียนแพทย์แผนไทยไว้ครับปา้<อ>าจันเรียนทำเภสัชเภสัชกรรมไทยเวชเวชศาตร์การเมืองยาววยาสมุนไพรวัวสมุนไพรป้าจันเดี๋ยคุยกับหลวงร่อว่าท่านก็อยากให้แบบเออท่านก็สนใจเรื่องยาสมุนไพรเพราะว่าท่านจะทําโครงการ โู้ชาลาบ้านพักคชาลาที่ที่ลบบุรีพระอาจารยแต่ฉันก็คิว่าอื่นพวกยาพวกสมุนไพรก็น่าจะ ช, ช่วยแล้วครคนป่วยคนคนสูงอายุด้านตั้งแต่เดือนใดคนตายคนตายคนตายครบคร บ, ครบส่วนเลยนะเด็กแรกเกิดด้วยพวกเด็กกำพภ้าเนียนอะไรเงี้ยครับอันก็เอ่อที่ล่าสุดก็มีโครงการที่รัฐบาลให้มาทําก็คือแบบ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายครับอาจารย์ก็จะมีแท่งชีตาสาร์อะไรเงี้ยครับคอยมาดูแลก็คือโครงการนี้จะอยู่ที่วัดเลยครับก็จะเป็นแบบติดคนติดเพียงอบบพวกไม่มีลูกหลานดูแลเงี้ยครับอาจารย์ส่วนบ้านครับคนชราก็จะอยู่ตรงอีกอีตรงอีกที่หนึ่งครับอันก็จะให้คนคนคนชราครับอยู่เป็นคู่กันแล้วก็คอยช่วยกันช่วยเหลือกันแล้วก็ต้องสวดโมนต้องทํางานเอะไรเงี้ยไม่แล้วไม่แล้ว ใช่ครับอันบอกต้องต้องคนแก่ก็ต้องต้องต้องทํางานนะแล้วก็ต้องปวดมนที่ฉันต้องใชใช่ครับอาารดีงั้นไม่งั้นจะเสมเศร้าถ้าต้องอยู่ทางลาบากมันจะเสื่อมเศร้าเพราะว่าลูกขาวป้าแบบมีคนทาราตายแบบโดยคนไม่รู้ก็เยอะอยู่ครับท่านก็เลยแบบเออได้มาทําตรงนี้ครับตรงนี้ก็เลยก็เพิ่งตอบเสร็จครับอาจารย์ก็เลย ตอนช่วนี้ก็เลยอ่านหนังสือทบทวนเรื่องรางเก่าๆที่ที่เราเรียนที่หลังนะครับก็เลยทำตามเรียนนิดนึง <c oughs> แต่เ้ายังไม่ไมไ ท, าาาทิ้การปฏิบัติครับอาจารย์แก่ๆมันเหนื่อยขึ้นโอเคไม่มีคำถามท่านอาจารย์ก่อนที่คุณเจ้าเจ้า อ, ออร์เนออรกอนตามนมาส ก, การาาา์ค่ะพระอาจารย์ พอาจารย์คะวันนี้หนูมีคําถามต่อยอดของคุณจุ๊บจากโกเบค่ะที่พูดถึงเรื่องมัสในส่วนของสมัมมาทิฏฐิที่นอกจากที่พระอาจารย์พูดถึงว่าให้พิจารณาทุกที่<ม>ว่าเป็นทุกจา ก, กันทําบาปทุกจากเออ่ทุกที่เป็นไตรักแล้วก็อีอันอะไรนะคะทุกจากความอยากใช่ไหมคะในอริยสัจสี่นอกจากตรงนี้แล้วถ้าหนู ถ้าทิฏฐิในแง่ของที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุกข์แต่อย่างเช่นว่าหนูพิจารณาว่าอ่การจะไปสู่หนทางของนิพพานได้ต้องมีอริยต้องมีอิธิบาศสีมีฉันทะมีความเพียรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพิจารณาว่าถาขันไม่ใช่ของเราไม่ควรไปยึดอะไรเงี้ยยังถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไหมคะหรือว่ามันแค่อยู่ในหมวดพิจารณาทุกข์อย่างเดียวก็เป็นมันก็อยู่ในเรื่องสวดโฉมมันพิจารณาเนื่องมา ก, กว่า การยดับความทุกข์ได้เราก็ต้องมีการปฏิบัติออิทธิบาทสี่มีความเพียรเป็นศีล ส, สมาธิปัญญายัางยู่ใน ส, ะ ส, สมะสังคโปอยอยู่ยั ง, ง, งอยู่ในสมาสังคโปอยอยู่แต่สมาธิมันก็มีแค่เนี้มีมีกาบมีทุกข์และวิธีดับทุกข์ท่านั้นที่เราต้องรู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรแล้วจะดับทุกข์แล้วดับได้อย่างไรนี่คือสมาธิ แต่ถ้าเกิดหนูถ้าเกิดหนูอ๋อถ้าเกิดว่าหนูเป็นเป็นความคิดว่าอา่าถ้าจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต้องมีความเพียรอย่างเงี้ยมันไม่ถือว่าเป็นสามาธิขีเพราะว่ามันยังติดอยู่ในเรื่องของโลกถูกไหมคะได้เพราะว่ามันจะนําไปสู่ความทุกข์มันมเกิดตัดปัญหาความอยากอยากได้อำนาจจัลสเซนอยากได้โลกธรรมสิอืมโอเคค่ะใส่ล่ะอืม เรียกว่าไม่ชาไม่ชาสังกโปไม่ชา้าไม่ช้าทิฏฐิถ้าอยากจะไปทางโลกอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะเป็นนายกไปอย่างเอันนี้เรียกเป็นเพราะจะเ ป, เป็นการเข้าหากลองทุกไม่ใช่วิ่งออกจากกล่องทุกขช่แล้สาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะดีที่นี้เลย โอเคใครต่อเมื่อกี้เห็นคุณพัฒนาบสุขว่าพัตนาพรหายหน้าไปหลายอาทิตย์เลยเป็นยังไงสบายดีนะกลับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อสบายดีเจ้าค่ะยุง่งที่ผ่านยุง่งใกลซัมเมอร์เรายุ่งเจ้าค่ะมีแขกเยอะอเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรีโอมันปัจจัยไปถวายหลวงพ่อเออได้ไหคนเเขาได้ไหคนเอาบอกจ้ะค่ะ การสักเถ้าเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกไม่อยากพูดคุยกับใครอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราติดความสงบไหมเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนนไม่อยากพูดคุยกับใครกไม่เปไม่มีความจำเป็นยต้องไปคุยกับใครก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีความจําเป็นยังต้องคุยกับเขาองเงี้ยก็ต้องพูดนี่จะไปกีเลสไปเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็บางทีก็ขาตัวเองบางทีแบบอ่สามีแบบ ทำไมวันนี้เอาอยู่ไม่ทานหรออะไรเงี้ยแล้วแล้วลูกก็แบบไม่พูดแล้วก็หันไปแบบจุ้จูจูเดี๋ยวบาปนะอะไรเงี้ยไม่ไม่ให้พูดชวทนทานข้าอาหารแล้วก็นนแล้วก็หันไปกินเลนอะอันนั้นเปนกิเลสเจ้าค่ะแล้วก <หา S 2> ็หันมาขับเองอ่ตายละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะว่าอยู่กันอยู่ด้วยกันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมีมีสัมพันธ์ทำไมเตงมีให้ความเมตตาต่อกัน เจ้าค่ะหลวงพ่อก็อย่างอื่นโลกไม่มีอะไรก็มีเรื่องอาหารเพราะว่าบางทีปัญญาก็ทันแต่บางทีแบบอ่าบางทีเหมือนไม่อ่าวันไหนเหมือนไม่ได้ทําบุญจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราหิวมากเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างวันไหนเราทําบุญเยอะเราก็เหมือนตับอิม่มเหมือนอย่างวันเนี้ยพวกนี้อ่าร่วมทําบุญอ่าเปิดโลกสามแดนโลกธาตุหลวงตามหาบัวเราก็ทําบุญไปอะไรเงี้ย แล้วก็แบบอย่างวันนี้ยเราก็แบบเอตั้งแต่เช้าแล้วก็อิ่มไ ม, ไม่ไม่หิวอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะวันไหนถ้าทําบุญน้อยหรือไม่ได้ทำรู้สึกทำไมวันนี้เรารู้สึกหิวจังเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อเจ้าค่ะก็มีบุญอย่างอื่นทาแทนได้ภาวนาเป็นด้ถ้ามันสมบุญไม่มีไม่บุญให้มีให้เราทําแล้วก็มาภาวนาก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งทดแทนกันได้ดีกว่าด้วยทําให้อิ่มมากขึ้นด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่อ วันนี้ภาวนาปเป็นบางที่ไม่ต้องไปทําบุญก็ได้ถ้าภาวนาเป็นก็อาศัยการภาวนานี่เป็นเป็นอาหารแทน อ, อย่างพานนี่พ า, พานี่ก็อาศัยการภาวนาเป็นอาหารไม่ได้ไปาหาเงินมาเพื่อจะไปทําบุญ ท, ที่นั่นที่นี่เจ้าค่ะหลวงพ่อกราบสาธุเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่อยากเดินทางไปไหนเลยอย่างเงี้ยจอยหลวงพ่อเจ้าค่ะอย่างเมืองไทยก็ไม่ได้กลับมาหลายปีถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วราแบบ ต้องกลับต้องใจย อ, ยงอย่างอย่างตอนเนี้ยค่ะมันมั น, ม, นมันมันอุบัติการณแบบจิตประสาทมันก็ไม่อยากจะไปไหนมันอยากจะอยู่เฉยๆก็ไม่เสียหายตรงไหน<า>ไม่เสียหายตรงไหนอ่าแล้วก็น้องสาก็คือมันเฉยแลว้วแบบพอจะกลับมองเห็นมันมองเห็นภาพโอ้รถติดประเทศไทยเมืองกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมองเห็นกลายเป็นมองเห็นภาพแบบว่าขับไปวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยใช่คะหลวงพ่อมัน มันทําให้วางแบบ ว, วางวางเฉยแล้วแม้แต่จะกลับไปบ้านฝรั่งเศสก็บอกอ่าสามีกับลูกว่าเอาเงั้กลับไปก่อนเดี๋ยวตอนลูกค้าเข้าบ้านนี้แล้วทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค่อยกลับไปทีเดียวอย่างเงี้ยเอาอยู่ไปกันก่อนละกันเจ<ม>้าค่ะหลวงพ่อใจเป็นแบบมันมันสงบนะคะสงบจน<ม>เราไม่อยากเดินทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้มไม่ได้ ถ้าเราไม่ทุกข์ก็ใช้ได้แต่ถ้าเราไม่อยากไปแล้วทำให้เราทุกข์อย่างนี้เราก็ต้องปรับหน่อยบางทีเรา<ม>ต้องไปเราก็ต้องเช่นบางทีในเวลาต้องไปคราวนั้นเราไม่ไปนะมันก็ยากทำให้เราไม่สบายใจเราก็ต้องไปเจ้าค่ะพอ ถ, ถึงถ้าถึงเวลายอย่างนั้นจริงๆโอเคก็แต่ถ้าเกิดเลี่ยงได้เลยโอเคอยู่ไปก็ได้ <S 2> 2. <S ก็เลี่ยงไปก็ไม่เป็นไร ม, มันได้พบความสงบแล้วมันไม่ไม่ไม่ ไม่อยากอะไรเจ้าค่ะหลวงพอ่อ ม, มันมีความสุขที่ที่ตนรู้ได้เฉพาะตนคําเนี้เจ้าค่ะหลวงพอ่อมมไม่สามารถตายเจ้าค่ะเจ้าค่ะดีโอเคมดดีแค่เจ้าค่ะหลวงพอ่อใครที่เกิดกีตาร์ต่อกีตาคนสุดท้ายวันนี้เป็นยังไงสบายดีเลยเป็นกีตาร์ได้ยินไหม ผูู้ดกราบนำสัส ก, การพระอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะมาฟังธรรมเฉยๆค่ะพระอาจารย์โอเคยังไงไปที่คุณจุกตอไอคุณหาต่อคุณหามีคําถามไหมกราบนำมส ก, การครับพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมัส ก, การครับคําถามที่หนึ่ง ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายการพิจารณาเพื่อปล่อยวางกิเลสที่อยู่ในขันห้าเช่นทางกายเราพิจารณาอาการสาสิบสองและธาตุสี่แล้วถ้าเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณควรจะพิจารณาแต่ละตัวอย่างไรเพื่อละวางครับอ๋อมันมาทั้งมันมาเป็นทีมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมาเป็นทีม เวลาพิจารณาตัวเดียวก็พอคือพิจารณาเวทนาโดยเฉพาะตัวทุกขเวทนาเพราะเป็นตัวที่สร้างสร้างปัญหาให้กับเราสร้างความทุกขให้กับเราโดยอื่ไม่เป็นปัญหาสุขกเวทนาไม่เป็นปัญหาไม่สุขไม่ทุกขก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ตัวที่เป็นปัญหาก็คือเวลาทุกขเวทนาในเวลาเกิดจากอาการเก็บไข้ได้ป่วยแล้วก็พิจารณาทุกขเวทนาไปว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเป็นของที่เรา ห้ามบังคับไม่ได้มันมาเราจะให้มันไปถ้ามันไม่ไปก็ต้องอยู่ต้องทําใจอยู่บมันไปให้ได้อย่าไปอยากให้มันหายอย่ายับถ้าอยากแล้วไม่ไปมันจะทําให้ใจทรมานย์่้เราไม่ต้องการให้ใจทรมานย์เก็ต้องสอนใจให้มีอุเบกข ค, ความเฉยอยู่กับทุกขเวทนาไปก็พอโดยมันเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา วิญญาณสังขารสัญญาเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเราสอนใจให้ปล่อยวางได้วิญญาณสังขารต่างๆนี้มันก็จะมันก็จะหยุดปรุงแต่งไปให้พิจาณาตัวเวทนาตัวเดียวก็พอคำ ถ, ถามที่สองขณะที่ฟังเทศ เราควรทำสมาธิ ก, กำหนดจิตแล้วฟังเสียงเทศหรือฟังเสียงเทศสบายๆไม่ต้องกำหนดอะไรครับก็กำหนดเสียงเทศเ ป, เป็นเป็นอารมณ์ต้องมีใจจดจ่ออยู่กับเสียงเทศจย่าฟังแบบเป็นสมาธิก็ได้แล้วจะฟังเป็นแบบปัญญาก็ได้เอาแบบสมาธิก็ฟังไปเฉยๆโดยที่ไม่ต้องคิดตามถ้าอยากจะให้เกิดปัญญาก็ต้องคิดตามไปด้วย มีคถามที่สามพระอาจารย์ตอบไปแล้วเมื่อสักครู่เจ้าคะ่ะคำถามหมดแล้วเจ้าคะ่ะโ okay. อเค็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้มขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเธอ